พวกเราก็ดีขึ้นเยอะนะคือหลังๆหลว ง, ง, งพ่อไปเทศที่ต่างๆเนี่ยพบว่าพวกเรานักปฏิบัติเนี่ยเปลี่ยนไปส่วนใหญ่แต่เดิมคนปฏิบัติส่วนมากม่นเพ่งเอาคิดถึงการปฏิบัติธรรมก็บังคับจิตบังคับให้มันสงบให้มันเงียบๆอยู่ในความสุขความสงบ มุ่งไปตรงนั้นคิดว่าทำสมาธิมากๆเนี่ยจิตจะเกิดปัญญานี่ก็ผิดไปแบบหนึง่งอีกพวกหนึ่งไม่เอาสมาธิเลยไม่เอาสมาธิเลยลงมือปฏิบัติแต่ว่ากลายเป็นการทำสมาธิไปเพ่งแบบไม่รู้ว่าเพ่งอย่างบางคนเนี่ยเรียนขยับมือทำจังหวะ คิดวาเนี่ยเห็นรูปนามเกิดดับเคลื่อนไหวในีู่ท้องผ่องยุคในึกคิดว่าทำวิปัสนาแล้วข้อจริงเนี่ยจิตมันไม่ทํำวิปัสนาจิตมันเข้าไปเพ่งเพ่งอยู่ที่มือทําจังหวะเพ่งมือจิตก็สงบอยู่ที่มือนะวันวันในกิเลสไม่เกิดนิ่งนิ่งว่างว่างอยู่นี่คิดว่าทํำวิปัสนาแต่ว่า สุดท้ายก็กลายเป็นสมถะไม่รู้ตัวดูท้องผองยุบนึกว่าทำวิปัสนาเห็นรูปน้ำจิตไปเพ่งอยู่ที่ท้องจิตให้นิ่งนิงว่างวางอันนี้ก็คือไปทำสมถะทั้งที่ทำวิปัสนาพวกหนึ่งจงใจทำสมถะเลยนั่งพุโทโธพุโทโธหายใจไปทำแล้วไปติดสมถะหรือเพ่งจิตให้นิ่งให้ว่างนี่ก็เป็นสมถะ พวกนี้จงใจทําสมถะนะพวกกลุ่มหนึ่งจงใจทําสมถะอีกพวกหนึ่งนะคิดว่าจะทํำวิปัสนาแต่กลายเป็นทําสมถะเนื้อขอบเขตของสมถนะนั้นกว้างขวา ง, วางหาคนที่หลุดออกไปจากมันนะหายากเราต้องใช้ความสังเกตให้มากนะถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์ที่เชื่อถือได้ถ้ามาถามว่ายุคนี้ใครเป็นครูบาอาจารย์ที่เชื่อถือได้ หลวงพ่อว่จะตอบว้าอย่าเพิ่งเชื่อถือดีกว่าปลอดภัยที่สุดเราจะรู้ได้ไงเราภูมิจิตภูมิทำอะไรไปดูว่าใครพอนาถูกพอนาผิดอย่าไปเชื่อคนอื่นนะเราใช้สังเกตตัวเองเอาสังเกตตัวเองลักษณะสภาวะของจิตใจแต่ละชนิดแต่ละชนิดอย่างเราอยากทำความสงบเนี่ย ถ้าเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียว<ม>อยู่กับพุโทโธอยู่กับลมหายใจ<ม>ก็ถูกแล้วอันนี้ก็ถูกเขาจะทําสมถะถ้าจะทําวิปัสสนาะไปดูท้องพองยุบเป็นเทยับมือํ<ม>าจังหวัดไปเพ่งท้องไปเพ่งมืออันนั้นก็คือสมถะไม่เป็นวิปัสสนาะจิตที่จะทําวิปัสสนาได้ไมันต้องมีคุณภาพมากพอจิตอนั้นต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่หลวงพ่อมาเทศที่นี่หลายรอบและนะ้วะ งินเทศยากนิดหน่อยพวกเราก็น่าจะฟังรู้เรื่องหลายคนก็เป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วนี่ก็เป็นผู้รู้จันเป็นผู้รู้ขึ้นมาไม่ใช่เรื่องยากหรอกไม่ใช่เรื่องยากที่ฆราวาสจะทําได้แล้วหลวงพ่อฝึกตัวเองเป็นจิตเป็นผู้รู้ตั้งแต่เป็นฆราวาสครูบาอาจารย์อย่างหลวงปู่สิมเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้ ท่านไม่รู้จักชื่อทนเรียกว่าผู้รู้ผู้รู้นี่เราถ้ามาฝึกจิตของเรานะขั้นแรกเนะี่ยจิตต้องถูกซะก่อนจิตต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซะก่อนแล้วจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่แหละไปเรียนรู้ความจริงของรูปนามคือการทําวิปัสสนากรรมฐานอยู่ๆไปทำวิปัสสนาะแต่ไม่เคยเรียนเรื่องจิตเลยเนะี่ยมันไม่เป็นวิปัสสนาความหลงผิดในแวดนวงกรรมฐานนะ มีเยอะมากเลยนะมหาศาลเลยสารพัดรูปแบบที่มันผิดพลาดกันบางคนเนี่ยไม่มีการเตรียมความพร้อมของจิตเลยแล้วใช้การคิดอย่างคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอาสุพะคิดพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนีย่ยคิดคิดแต่เรื่องไตรลักเขาบอกว่าวิปัสนาอันนั้นวิตกต่างหาก มีตกคือตรึกเอามิปั ส, สนาปั ส, สนาว่าเห็นการเห็นกับ ก, การคิดคนละเรื่องกันเลยการเห็น น, นก็คือใจเราเนี่ยเป็นแค่คนดูเราเห็นกายเห็นใจมันแสดงไตรลักษณ์อย่างนั้นถึงจะเรียกว่าเห็นไปนั่งคิดเรื่องไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปั ส, สนาเป็นวิตรกเ น, นี่ยโอกาสที่พวกเราเรียนกรรมฐานนะแล้วมันพลาดเนี่ยเต็มไปหมดเลยตอนที่หลวงพ่อภาวนากับหลวงปูดงป่ดุลนอนหลวงปู่ดุล อยู่เรียนอยู่กับท่าน7เดือนหลวงปูด่ดุลท่านก็บอกว่าเข้าใจแล้วละ่ะพึ่งตัวเองได้ละวต่อไปไม่ต้องมาอาศัยท่านก็ได้นะให้านาอย่างเงี้ยมันไปได้ด้วยตัวเองท่านอย่างงี้ยหลวงพ่อบอกเออครูบาอาจารย์ท่านว่าอย่า ง, งออเออาาาางี้เราไปหาประสบการณ์ออกไปดูว่าคนอื่นเขาภาวนายัางไงอาศัยเราเป็นคนช่างสังเกตน้าสังเกตเข้าไปสํานักอย่างนี้ ه, เขาว่าเขาทําวิปั ส, สนาไม่เห็นมีใครทําวิปั ส, สนาเลยบางคนก็เพ่งท้องบางคนก็เพ่งเท้าบางคนก็เพ่งมือหรือบางที่เข้าไปก็คิดอย่างเดียวเลยคิดพิจารณาอย่างเดียวเลยก็ไม่ใช่อีกอย่างสํานักที่คิดพิจานาะทิ้งสมาธิเลยแล้วไปพิจารณากายเนี่ยครูบาอาจารย์สายวัดป่าเนี่ยหลวงตามหาบัวนเนี่ยท่านติเตียนมากเลยทั้งว่าสอนผิดนะอย่างนั้นมันไปไม่รอดหรอก คุณจะควรจะมาเดินปัญญาพิจารณาร่างกายได้จิตต้องสรงสมาธิซะก่อนพอจิตป็นส่งสมาธิมันเข้มแข็งนะแล้วมันไปติดสมาธิอย่างแรงมันนิ่งๆเฉยๆว่างๆอันนั้นแหละท่านถึงจะให้มาพิจารณากายนะดูผมโดนขเล็บฝันหนังเนื้อเอ็นกระดูกแต่ละส่วนแต่ละส่วนให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคิดเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้น ให้จิตมันเดินปัญญาไม่ให้จิตมันติดนิ่งติดเฉยนะไม่ใช่เอาจิตที่ฟุ้งซ่านอยู่อย่างนี้แหละไปนั่งคิดพิจารณาก็ฟุ้งไปใหญ่ก็ใช้ไม่ได้นะเที่ยวตะเวนตะเวนไปแนละ้วโอ้ยหาคนภาวนานะอายากจริงๆกระทั่งในวัดค ร, รูบาอาจารย์ไม่ได้ร่วงเกินท่านนะนี่เป็นเรื่องจริงๆเลยแต่ละแห่งแต่ละแห่งนะบางที่มีอาจารย์องค์เดียวทําได้ หรือมีลูกศิษย์องค์สององค์หรือมีคารวะ แ, แทบจะไม่มีเลยที่จะปฏิบัติได้จริงสมมากก็นั่งสมาธิทําจิตให้นิ่งให้ว่างก็เป็นสมถะบางพวกก็คิดพิจารณาก็เป็นสมถะคิดพิจารณาเป็นสมถะนะไม่ใช่วิปัสนาก็การคิดเป็นวิตกไม่ใช่วิปัสนาวิตกวิจารณปีติสุเวกคตาเรื่องของสมถะนั้น หรือกำหนดท้องกำหนดมือเลื่อนไหวอยู่จิตจ้องอยู่ในมือนี่ก็สมถะนักปฏิบัตินะตอนหลวงพ่อบวชใหม่ๆหลวงพ่อยังเคยบวชกยมเลยว่าหลวงพ่อเที่ยวตะเบนมาเยอะแยะนะหาคนที่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยยากมากเลยสนใจติดสมถะ พวกหนึ่งติดสมถะโดยตั้งใจจะติดเขาคิดว่าต้องติดสมถะต้องได้สมถะได้ฌานก่อนถึงจะเดินปัญญาได้ทีนี้พวกนี้ก็หลอกตัวเองว่าฌานนี้ไม่ต้องทําอะไรหรอกฝึกแต่เข้าฌานมีพวกหนึ่งคิดว่าสมาธิไม่จําเป็นเลยเดินปัญญาไปเลยเห็นรูปเห็นนามไปเลยสุดท้ายก็ไปเพ่งรูปเพ่งนามหรือไม่ก็ไปคิดเรื่องรูปเรื่องนามแท้จริงแล้วก่อนที่คนเราจะขึ้นสู่วิปัสสนาได้นะเราต้องมาฝึกจิตก่อน งันบทเรียนของพระพุทธเจ้านี่เราอย่ามาหวดเก่งถึงขนาดข้ามบทเรียนของท่านไปบทเรียนที่หนึ่งศีลสิกขาต้องเรียนว่าทำํำไงศีลเราจะดีขึ้นไม่เคยมีศีลทำไงจะมีศีลมีศีลแล้วทำไงจะรักษาได้แคล่วคล่องว่องไวชํนชนานิชํานาญนะจนกทั่งเป็นศีลอัตโนมัตินี่คือบทเรียนว่าศีลสิกขาทําไงจะมีศีลมีศีลคือมีจิตใจเป็นปกติไม่ถูกราคาโทสะอะไรที่รุนแรงมาครอบงํา ถ้าถูกครอบงำแล้วมันจะมาบงการพฤติกรรมทางกายทางวาจาให้ทําผิดเนี่ยมันเริ่มมาจากใจเป็นผิดก่อนถูกกิเลสครอบยันถ้าเราถือศีลเป็นนะเราเรียนบทเรียนเรื่องศีลศีลเบื้องต้นตั้งใจรักษาต่อมาไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่าฝึกสติมีสติคอยรู้ทานกิเลสตัวเองไปได้วยกิเลสมันครอบงําใจไม่ได้มันก็ไม่ทําผิดทางกายทางวาจาก็มีศีลขึ้นมาบทเรียนที่2ในบทเรียนใหญ่เลยสําคัญมากนะคือจิตสิกขา มันอาภาัพมากเลยมันไม่มีคนเรียนหลวงพ่อเทศมาสิบกว่าปีพูดแต่เรื่องจิตสิกขาเป็นส่วนมากเลยบางคนพอเรียนเรื่องจิตสิกขาได้แล้วก็ก้าวข้ามไปสู่ปัญญาสิกขายังต้องมาฝึกจิตฝึกใจซะก่อนวิธีที่จะฝึกจิตสิกขานะสังเกตเอาจิตยังไงเป็นกุศลจิตยังไงเป็นอกุศลต้องรู้จิตที่เป็นอกุศลรู้จักไหมจิตโลภรู้จักไหมเออดูง่ายนะจิตโกรธ เห็นดูง่ายจิตหลงจิตฟุ้งซ่านจิตหดหูจิตเครียดจิตเซงจิตเบื่อจิตลำคาญจิตอิจฉาริษยาจิตอาฆาตพยาบาทเนี่ยจิตอกุศลทั้งหลายนะกุศลอย่างเงี้ยจิตที่เป็นกุศลมันเป็นยังไงจิตที่เป็นกุศลนั้นไม่มีโลภกิดหลงมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่จิตที่เป็นกุศลนั้นมันเบา มันไม่หนักนะถ้าหนักๆเนี่ยอกุศลมันไม่แน่นมันมันเบามันไม่หนักมันไม่หนักมันไม่แน่นมันไม่แข็งมันไม่ซึมมันไม่ทื่อมันรู้เนื้อรู้ตัวสบายๆเนี่ยค่อยๆสังเกตเอาจิตยังไงเป็นกุศลจิตมีลหุตามีความเบามีความนุ่มนวลมีมุทุตามีความคล่องแคล่วว่องไวเรียกว่าป่าฝุนตาเป็นจิตที่ขยันที่จะรู้ความจริงของรูปนาม เรียกว่าควรแก่การงานกรรมัญญตาเป็นจิตที่ซื่อตรงในการรู้อารมณ์เรียกว่าอุชุกตาไม่มีราคาไม่ได้รู้เพราะอยากรู้ไม่ได้มีโทสะนะไม่ได้รู้ไม่ได้พยายามฝึกตัวเองเพราะว่าเกลียดกิเลสเพราะว่าจะเกลียดทุกข์อะไรนะไม่ได้เอาอะไรเนี่ยค่อยสังเกตไปจิตอย่างนี้เป็นกุศลจิตอย่างนี้เป็นอกุศลค่อยๆเรียนไป พอเราแยกได้แล้วจิตกุศลเป็นอย่างนี้จิตอ ก, กุศลเป็นอย่างนี้นะเราก็แยกละเอียดต่อไปอีกจิตที่เป็นกุศลอยังมีหลายแบบนะกุศลที่ใช้ทําสมถะเป็นแบบหนึ่งกุศลจิตที่เป็นกุศลที่ใช้ทําวิปัสสนาเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งไม่เหมือนกันหรอกจิตที่ใช้ทําสมถะนะจิตเป็นกุศลนะทำสมถะมันจะสงบอยู่ในอารมณ์มันเดียวจิตเป็น1อารมณ์เป็นหนึ่งเช่นจิต เป็นผู้รู้มีอารมณ์เป็นหนึ่งเช่นพุทโธพุทโธพุทโธจิตไม่หนีไปจากพุทโธเลยงั้นถ้าใครพุทโธพุทโธจิตไม่หนีจากพุทโธเลยอย่ามาบอกว่าวิปัสสนานะอันนั้นคือสมถะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งหรือเรารู้ลมหายใจออกรู้ลมหายใจเข้าจิตเป็นคนรู้อยู่นะไม่ไปไหนเลยจ้องอยู่ที่ลมอย่างเดียวอันนี้ก็สมถะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งใช้อะไรเป็นอารมณ์ใช้ลมหายใจเป็นอารมณ์ถ้าเราดูท้องพองท้องยุบ เอาอะไรเป็นอารมณ์ใช้ท้องเป็นอารมณ์จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งคือมีแต่ท้องดูจ้องไว้อย่างเงี้ยนะอันนี้ก็คือสมถะขยับมือทำจังหวะเอามือมาเป็นอารมณ์จิตเป็นคนดูจ้องอยู่ที่มือไม่ให้หนีไปไหนเลยจิตสงอบอยู่กับมืออันนี้สมถะต้องสังเกตนะไม่งั้นเราจะพลาดเราคิดว่าเราทำวิปัสสนาทามาตั้งหลายปีแล้วแมจิตใจดีมีความสุขสบายโล่งโปร่ง เอาเข้าจริงนะนอนจมกิเลสอยู่มองไม่เห็นนะเหมือนนั่งทับอืออยู่นะไม่รู้เลยแนละ้นั่งทับอยู่นะไม่รู้เลยวนะ่า น, นั่งทับของโซโกอยู่มันแช่อยู่กนะับกิเลสมองไม่เห็นแล้วเราต้องค่อยๆสังเกตตัวเองว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันตกอยู่ในหลักของสมถะหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นหลักของมิปัสสนาหลักของสมถะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งไม่หนีไปจากกัน ราของวิปัสนาจิตเป็นหนึ่งอารมณ์อะไรก็ได้อารมณ์จะเป็นรูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้แต่สิ่งที่เราเห็นนะไม่ใช่เห็นตัวอารมณ์เราเห็นไตรลักษณ์ที่แสดงอยู่ในอารมณ์อย่างเราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูมันมีความรู้สึกขึ้นมามีการหมายรู้มีสัญญาหมายรู้ว่าไอ้ตัวที่หายใจอยู่นี่มันไม่เที่ยงตัวที่หายใจอยู่นี่มันถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลา ตัวที่หายใจอยู่นี่ไม่ใช่ตัวเรามีการหมายรู้ในความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามโดยจิตเป็นแค่คนดูจิตไม่ใช่คนคิดถ้าคิดเน่เป็นตัววิตกนะแต่เนี่ยมันเป็นการที่จิตมันไปมองในมุมของความเป็นไตรลักษณ์ตัวนี้เป็นความประณีตของจิตที่เราต้องค่อยๆสังเกตคิดเรื่องไตรลักษณ์ไม่ใช่วิปัสสนาถ้าจิตมันไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามจะเป็นวิปัสสนา เวลาเราทำพิพัฒนาบางคนบอกว่าดูกายที่จริงไม่ได้ดูกายหรอกเราดูไตรลักษณ์แต่ไตรลักษณ์แสดงอยู่ที่กายบางคนเราใช้เวทนาหรือความสุขทุกข์เป็นฐานเราก็ไม่ได้ดูเวทนาถ้าดูเวทนาจะเป็นสมถะแต่เราดูไตรลักษณ์ที่สแสดงตัวอยู่กับเวทนาเ <st> ช่นเราเห็นความปวดเมื่อยเกิดขึ้นมาความปวดเมื่อยนี่ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็ปวดมากเดี๋ยวก็ปวดน้อยเดี๋ยวก็หายไปความปวดเมื่อยเนี่ยสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ ตรงนี้เป็นความรู้สึกของจิตไม่ใช่คิดนะถ้าคิดไม่ใช่วิปัสนาเนี่ยเป็นความประณีตนะคิดก็ไม่ใช่นะรู้อยู่เฉยๆก็ไม่ใช่นะเนี่ยมันอยู่ตรงกลางนะมันหมายรู้มันหมายรู้ยังไม่แค่รู้สึกในมุมของความเป็นไตรลักษณ์เพรนั้นทำวิปัสนาเนี่ยไม่มีสายกายสายจิตไม่มีสายไหนเลยพอเวลาเห็นกายสติะระลึกรูกก้กายกายเป็นเด่นขึ้นมาสติะระลึกรู้กายเห็นไตรลักษณ์สแสดงอยู่ในกาย เน่ยเวลาสติระลึกรู้เวทนาเนี่ยมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของเวทนาเนี่ยเวลาปฏิบัตินะจะเห็นไตรลักษณ์ลักษณะของจิตไม่เหมือนกันจิตเป็นแค่คนดูจิตเป็นหนึ่งไม่กลับกรอกหลงไหลไปที่อื่นรู้ตัวอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเนี่ยต้ค่อยๆเรียนไป ใ น, นลักษณะของจิตที่ทําสมถะเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งสงบอยู่ที่ตัวอารมณ์รู้อะไรรู้อารมณ์ถ้าจิตทํำวิปัสสนาจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เนี่ยเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงแล้วจิตไปเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของอารมณ์อารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้จะเป็นรูปธรรมก็ได้นามธรรมาก็ได้หลักต้องแม่นถ้าหลักไม่แม่นนะเราจะกระเสือกกระสนล้มลุกคลุกรานอยู่างนะั้นใช่ไหมรู้สึกว่าภาวนาตั้งนานแนละ้วทําไม ได้แต่สงบหรือภาวนาตั้งนานแล้วสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างมีอยู่แค่นี้เองหรือภาวนามานานแล้วนะว่างไปหมดเลยพรนะพุทธเจ้าสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเราภาวนาอีท่าไหนอเที่ยงเลยส ว, ว่างว่างอยู่งั้นทั้งวันทั้งคืนคงที่อยู่งั้นกายเป็นของเที่ยงท่านสอนเรื่องความเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นเราภาวนาอีท่าไหนมันสุขอย่างเดียวไม่เห็นทุกข์ตรงไหนเลยมันสุข ใจมีแต่ความสุขสบายเพลินอยู่นั้นนะท่านสอนอนัตตาบังคับไม่ได้กูเก่งอ่ะกูบังคับได้ครูฝึกจิตของครูให้สงบให้นิ่งได้นะเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่มันพลาดออกจากคําสอนของพระเจ้านะพลาดจากไตรลักษณ์นะก็พลาดจากวิพัสนาละนะเนี่ต้องค่อยๆสังเกตตัวนี้เป็นความชํานิชนานาญของเรานะสิ่งที่จะช่วยเราได้ว่าที่เราสังเกตมันถูกหรือผิดเนี่ย ที่เราทําอยู่มันถูกหรือผิดเนี่ยมี2 ส, สิ่งสิ่งที่1คือกัลยาณมิตรซึ่งทุกวันนี้เราตอบไม่ได้ว่าใครคือกัลยาณมิตรไมอริยโยงอริยะอยะไรเต้มไปหมดเลยนะแต่ละสำนักแต่ละสำนักนับพระอริยะทั้งนั้นเลยแล้วบางที่เขาชอบนะใครไปเรียนด้วยนะเรียนได้3วันตั้งเป็นพระอริยะแล้วโอ้โก็ปลื้มสิอย่างสูงอยู่ๆหลวงพ่อพาวนาไม่เป็นนะเข้าไปสำนักเนี่ย อาจารย์ด่าทุกทีเลยไอ้ภาวนาไม่ถูกใช่ไม่ได้ไปอีกสำนักหนึ่งภาวนาไปสองวันโอ้ยได้โสดาแล้วะเราพับลืมเห็น่ไหมโอกูโสดาแล้วเว้ยกูเก่งเว้ยลืมไปดูว่ามันกูตัวเบลอเลยมองไม่เห็นแล้วคราวนี้ยภาวนาไปอีกสามวันได้สักทาคาภาวนาไปอีกอาทิตย์หนึ่งได้พระอนาคาคาภาวนาไปอีกสักเดือนหนึ่งได้พระอาหารหันต์แล หันไปหันม า, ากิเลสกลับมากลับมาเป็นโสดาใหม่นะ อ, อ, อย่งนี้ใช้ไม่ได้เลยนะเลวแหลกอย่าไปโดนคนเขาหลอกนะอย่าไปโดนเขาหลอกนะอย่าไปเชื่อใครเข้ามาตั้งเป็นพระอริยะก็อย่าเชื่อดูกิเลสตัวเองให้ออกนะหลวงพ่อเคยคาตกรรมพระอริยะเนี่ยมากมายคาตกรรมไปเยอะเลยนะจนกระทั่งบางคนนี่กลัว คิดว่าตัวเป็นภาริยะนะจะไม่กล้าเข้าใกล้หลวงพ่อเลยกลัวถูกฆาตกรรมหลว ง, งพ่อไม่ได้ทำอะไรไม่ได้มีอิทธิปฏิหารไป น, นะเราใช้วิธีให้เขาดูกิเลสยังมีพระองค์หนึ่งบอกว่าเนี่ยจบกิจแล้วจบกิจแล้วถึงที่สุดแห่งทุกข์แล้วบอกไหนท่านนั่งสมาธิให้ดูซิจบกิตแล้วนั่งสมาธิยังไง นั่งโอ้ยรวมเร็วมากเลยนะรวมปื๊บเนี่ยจิตไปถึงพรหมโลกเลยบอกดูออกไหมว่าจิตมันเคลื่อนไปฮ อ, ออกออกออกพระอรหันต์อะไรวะจิตมีไปมีมานี่ไม่ใช่หลกงพ่อว่านะครูบาอาจารย์ท่านด่ามาแบบเนี้ยพระอรหันต์อะไรจิตยังมีการไปมีการมาท่านก็ตกใจเฮ้ยงั้นผมก็ไม่ใช่พระอรหันต์สิเออถ้ายังไปมาก็ไม่ใช่หรอกแต่ตกใจอ่ารู้ไหมตกใจรู้ตกใจนะ โษสนะไม่ใช่อนาคาด้วยนะถูกต้อนสักพักเดียวนะเป็นปุถุชนไปเลยดูอะไรดูกิเลสนะอย่าไปเชื่อใครเข้ามาตั้งเราเอยโอ้ยเราไปปรับเพิ่มยิ่งเพิ่มมากเรายิ่งถวายเงินเยอะนะเรานี่แหละอนาคาแล้วนะเราไม่หวงแหนทุกสิ่งทุกอย่างอยากได้อะไรให้หมดเลยให้ไปแล้ววันหลังก็อยากได้คืนใจฝ่อ เวลาทําบุญทาแพร่อย่าให้เกิดตัวนะจำไว้นะบางคนหลอกเรานะว่าทําบุญจ่ายเงินมากได้ขึ้นสวรรค์ชั้นสูงจ่ายเงินน้อยก็ได้สวรรค์ชั้นต่ำอะไรเงี้ยมันหลอกกันซะนั้นนะ่ะหลักของการทําบุญไม่ใช่อยู่ที่จานวนเงินนะมันลดละ ก, กิเลสได้ไหมนันนดีที่สุดทำไปเพื่อสนองกิเลสนะเป็นบุญชั้นต่ำทำไปเพื่อลดละกิเลสได้เป็นบุญชั้นสูง หรืออย่างเรามีเงินอยู่10บาทเนี้ไปทําบุญสิบาทนี่โง่นะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยท่านอย่างมีรายได้ท่านก็สอนให้แบ่งเป็นส่วนส่วนส่วนนี้เอาไว้เลี้ยงชีวิตเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวส่วนนี้เอาไว้ขยายการลงทุนส่วนนี้สําปองไว้ใช้ฉุกเฉินส่วนนี้เอาไว้ส่วนที่เกินเนี่ยเอาไว้ทําประโยชน์ให้กับคนอื่นให้กับพระาศาสนาอะไรเงี้ยไม่มีหรอกที่ว่าให้ไปกู้เงินมาทําบุญอะนะ ไม่มีพรุทธจ้าไม่เคยสอนแล้วทําบุญจะได้บุญเยอะเนี่ยทานของเราบริสุทธิ์ไหมสมมติทานของเราบริสุทธิ์ไห ม, ไ, หมไปปล้นเข้ามานะเอาไปทําบุญหรือว่าไปปล้นมาได้ร้อยล้านนะเอามาให้อาจารย์สมชายล้านหนึ่งนะบอกเนี่ยบุญตัวนี้ใหญ่โตแล้วตั้งล้านหนึ่งไอาบาปที่ไปปล้นมานี้หมดไปแล้ะล้างกันไปไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนะทานของเราบริสุทธิ์ไหมเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจไหม อย่างก่อนจะทำเนี่ยเราแช่มชื่นใจมีศรัทธาอยากทำระหว่างทำแล้วเราปรับรื้มก็ทําแล้วทําเยอะไปกลับบ้านสามีเตะนะใจฟอเลยเนี่ยหอเหี่ยวเลยไม่น่าทําเลยบุญตัวเนี้ยก็พร่องกับแพ่งทันทีเลยนะการทําบุญเนี่ยจะได้บุญแรงนะถ้าเจตนาของเราเนะเราก็มันมีความสุขนะในสามกาละจิตเป็นกุศลในสามกาละก่อนทําระหว่างทําหลังทํา ถ้าตัวใดตัวหนึ่งกับพร่องกับแผลงเนี่ยบุญเราตกทันทีเลยนะัเรียกเจตนาเราไม่เข้มแข็งแล้วบุญเราตกทันทีเลยถ้าบุญตัวเนี้ยให้ผลให้เราไปเกิดถ้าบุญตัวที่ทํามาแล้วไม่สมประกอบนะอย่างทำบุญไปก่อนทำปลื้มระหว่างทำปลื้มทําแล้วฝอยเงี้ยบุญตัวนี้ให้ผลเราจะได้เกิดเป็นมนุษย์เหมือนกันนะแต่มนุษย์พิการจะไม่สมประกอบนะเนีย้ยต้องรู้จักเลือกหรือผู้ที่จะรับทานของเรา ผู้ที่รับทานของเราให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานก็ได้บุญนะให้ทานกับคนทุศีลก็ได้บุญมากกว่าให้กัตริย์เพราะภูมิมันสูงกว่าสัต์ให้ทานกันคนมีศีลก็ได้บุญสูงกว่าทานกับคนทุศีนเพราะภูมิมันสูงกว่ากันให้ทานกันคนมีศีลมีธรรมนะคนอย่างพระอย่างเงี้ยให้พระที่ดีเราก็ได้บุญเยอะแต่เราเลือกอยากเราไม่รู้องค์ไหนดีเราค้นดกว่าดีทุกองค์นะเราก็เชื่อเชื่อเสร็จแล้วเพื่อนรวยไปคนเดียวเลย เราก็จนเหมือนเดิมแล้วเราไปรวยเอาชาติหน้าเขาบอกงนี้นะชาตินี้จนไปก่อนโยมอตัตมารวยไปคนเดียวเราก็เชื่ออย่างโงนะชาวพุทธต้องมีเหตุมีผลนะทำไมเทศไปเทศมามาลงเรื่องนี้ทำบุญนะเราไม่รู้ว่าใครเป็นเนื้อนาบุญประเมินยาก นั่นเวลาเราทำบุญเราตั้งใจทำกระสงในสงทุกท่านทำกระสง์คงจะมีเนื้อนาะบุญสักคนหนึ่งนะหือเราตั้งใจว่าเราทำกระสง์นะจะถวายทานจะถวายค่ารถให้หลวงพ่อตรงนี้นะถวายถานตั้งใจทำถวายให้สงนะมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานตั้งใจแบบนี้เลยถ้าคนไหนไม่ได้เป็นสงนะรับขอเราไปบาปเอง โอ้เนี่ยพระจะกลัวเลยคราเนี่ยเวลาจะรับนะเุ้ยขาก็ให้กับพระสุปฏิปันโนเราเป็นพระหัวโนเฉยๆนะอย่างเงี้ยเนี่ยรู้จักรู้จักวางใจนะวางใจว่าเราจะทำบุญทำกับพระศาสนาทำกับอะไรเงี้ยวางใจให้ดีบุญมันจะใหญ่กว่ากันถ้าทำบุญโดยหวังผลตอบแทนเนี่ยบุญเล็กนิดเดียวทำบุญนิดหนึ่งนะก็หวังผล จะพ้นทุกพ้นโสพ้นโรคพ้นภัยพ้นเสนียรจันไรร่ำรวยเป็นสถิถีมหาสถิถีมีลูกให้ลูกเชื่อฟังมีเมียให้เชื่อฟังเมียอะไรเงี้ยนะโม อ, อธิษฐานยาวมากเลยนะขอให้ถึงพระนิพพานโดยเร็วฟังก็แปกแปลกนะอยากรวยด้วยอยากนิพพานด้วยอะไรเงี้ยอยากสวยสวยด้วยเนี่ยอย่างนี้โลภมากนะนิพพานไม่ไหวหรอกเนะืสำรวจที่ใจใจอย่างไหนเป็นกุศล ใจอย่างไหนเป็นอกุศลบางทีในขณะที่ทํากุศลนะลึกลงไปมันคืออกุศลนะเนี่ยสารวจใจตัวเองให้ดีพอเราแยกออกแล้วว่าอันนี้เป็นกุศลอันนี้เป็นอกุศลกุศลอย่างนี้เป็นกุศลทั่วๆไปสําหรับวนเวียนอยู่ในโลกกุศลอย่างนี้เป็นสมถะกุศลอย่างนี้เป็นวิปัสนานะกุศลทั่วทั่วไปเมื่อไหร่ทาความดีมีทานมีศีลมีภาวนาพขดีเท่านั้นแหละเป็นกุศลทั่วๆไป แต่การภาวนาเนี่ยถ้าภาวนาจนกระทั่งจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นขั้วอนที่สูงขึ้นมาอแล้วมาอยู่ในระดับของได้สมาธิได้ฌานได้สมาธิถ้าสูงขึ้นไปอีกก็เห็นรูปนามแสดงใจรักรูปธรรมแสดงใจรักนามธรรมแสดงใจรักบุญใดที่ประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่จาไว้นะบุญใดประกอบด้วยปัญญาเป็นบุญใหญ่ บุญใดไม่ประความได้ปัญญาเป็นบุญเล็กน้อยแต่ถ้าเมื่อไหรไม่มีสติมานั้นไม่ใช่กุศลเลยจิตที่เป็นกุศลทุกๆดวงต้องมีสติแต่จะมีปัญญาก็มีนะไม่มีปัญญาก็มีมีแต่สติก็มีงั้นอย่างถ้าเราดูท้องพองยุบหรือขยับมือแล้วจิตรเราสงบว่างเนี่ยจิตเป็นกุศลหรืออกุศลจิตเป็นกุศลแต่กุศลชนิดไม่เกิดปัญญาสงบอยู่ในอารมณ์เดียวแยกให้เป็นนะ แยกให้เป็นถ้าแยกได้เรารู้ว่าจิตชนิดนี้เป็นกุศลชนิดนี้อกุศลอันนี้กุศลธรรมดาอันนี้กุศลสมถะอันนี้กุศล ร, ระดับวิปัสสนางั้นเวลาที่จิตมันพลิกไปพลิกมาเวลาที่เราเดินวิปัสสนาเนี่ยจิต จ, จะพลิกไปพลิกมาจิตจะไม่เดินวิปัสสนารวดจำไว้นะเวลาที่เดินวิปัสสนาเนี่ยจิต จ, จะพลิกกลับมาเป็นสมถะเป็นช่วง เมื่อไรกำลังของสมาธิตกลงจิตจะพลิกกลับมาเป็นสมถะอัตโนมัติเลยเนี่ยถ้าเราไม่รู้เราคิดว่าเราเดินวิปัสสนาใช่นเราเห็นรูปนามเห็นกิเลสเกิดดับเห็นสุขทุกข์เกิดดับเราดูอยู่อย่างเนี้ยแต่สมาธิเราไม่พอจิตมันจะเป็นนิ่งมันจะไปเห็นอะไรไปเห็นความสุขไปเห็นความทุกข์อะไรเงี้ยมันไม่เห็นไจรักละในขณะนั้นจะไม่ไม่ใช่เดินวิปัสสนา นีเนเ้เป็นเพ่ไเพ่งความรู้สึกสุขเพ่งความรู้สึกทุกข์นะสุดท้ายเป็นว่างแล้วก็ไปจ้องที่ว่างต่อไปอีกนะคราวนี้คิดว่าไม่ได้ยึดถืออะไรสักอย่างบรรลุพระอรหันตนะ์แล้วที่จริงไ ป, ไปเพ่งติดในความว่างเป็นสมถะนะแล้วถ้าเราทํำมิปัสนาอยู่กําลังไม่พอจิตพลิกไปเป็นสมถะมีปรัสนูจะเกิดมิปรัสนูปกิเลสเนี่ยมันเกิดกับคนเดินมิปรัสนาแล้วสมาธิไม่พอ จิตมันเคลื่อนออกจากฐานไปจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นมันเคลื่อนออกไปเช่นเราเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วเกิดดับนะจิตมันเคลื่อนไปดูพอ เ, เคลื่อนไปรับความสุขทุกข์ดีชั่วมันดับจิตมันเคลื่อนไปดูเนีย่ยไม่เห็นว่าจิตเคลื่อนไปดูมันก็เลยไปว่างอยู่ข้างนอกเราก็คิดว่าบรรลุพระอรหันต์แล้ ว, วาาลราารลตรงนี้ไม่มีกิเลสไม่มีแน่นอนไปเพ่งอากาศเนี่ยอากาศมันมีนมกิเลสที่ไหนล่ะกิเลสไม่ได้อยู่ในอากาศนี่กิเลสอยู่ที่ใจนี่ล่ะห่า ดูเข้ามาไม่ถึงใจแล้วเนี่ยเพราะฉนั้นเวลาที่เราเดินปัญญานะทางที่ผิดก็ยังมีอีกคือจะเกิดวิปัสสนูถ้าตอนที่ทําสมถะนะทางที่ผิดก็มีทางผิดอันหนึ่งก็เกิดนิมิตต่างๆนิมิตเกิดขึ้นเราก็คิดว่าเป็นของจริงแยกไม่ออกอีกที่ผิดอีกอันหนึ่งคือทําสมถะอยู่นะคิดว่าทํำวิปัสสนาอยู่คิดว่าบรรลุมรรคผลเวลาเกิดอาการทางของสมาธิเช่นจิตรวมรูบหมดความรู้สึกตัว นะเพ่งท้องไปเรื่อยๆนะหรือเดินจงกรมหามรุ่งหามค่าให้มันเหนื่อยเวลาที่เราเดินจงกรมหามรุ่งหามค่าให้ทรมานตัวเองสุดขีดเนี่ยจิตมันจะหลบเข้าพักนะโดยการตัดความรับรู้ถ้าจิตมันตัดความรับรู้เราบอกไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยปนจากรูปนามแนละ้วเป็นบรรลุมรรคผลแนละ้วไม่ใช่นะเป็นลมลูกฟักนะเนี่ยถ้าเราไม่ประณีต ตองประนีตนะที่หลวงพ่อสอนพวกเราละเอียดเนี่ยเพื่อพวกเราจะได้ใช้วิธีนี้มาสังเกตตัวเองอย่าเชื่อคนอื่นง่ายเชื่อคนอื่นง่ายเขาตายอย่างเฉียดเนาะช่วยไม่ได้หรอกสังเกตเอากิเลสอะไรยังมีกิเลสอะไรหมดแล้วถ้าเป็นโสดาจริงเนี่ยมันจะไม่มีกระทั่งเงาแห่งความเป็นตัวตนพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งใครไม่มีบ้างยกมือสิกล้าหาญหน่อยมีไหม มีองไหนบ้างน ะ, นะเราจะคาดประกรรมให้ดูวิธีนะวิธีที่เราสังเกตเพราเราภาวนาไปแล้วจิตของเราเกิดอาการแปลกๆเช่นรวมฮุบสว่างว่างไปหมดเลยนะแล้วเราคิดว่าบรรลุขั้นนั้นขั้นนี้หรือคนมาบอกเราว่าบรรลุขั้นนั้นขั้นนี้อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งคล้อยตาม สังเกตเอาอยากกลัวสูญเสียด้วยบางคนพอใครเขาบอกว่าได้โสดาหรือตัวเองภานาล้วคิดว่าได้โสดาเนี่ยกลัวสูญเสียอยากกลัวของปลอมไม่ต้องกลัวเสียเสียได้เสียเดียเสียไปเลยเดี๋ยวเริ่มเอาใหม่นะวิธีสังเกตเนี่ยสังเกตที่กิเลสถ้าเป็นพระโสดาแล้วนะมันจะไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนหรอกอย่างพูดคําว่าผมพูดคําว่าดิฉันพูดคําว่าอาตมาเนี่ยเป็นแค่โวหัน จะไม่มีน้ำหนักแห่งความเป็นตัวเป็น ต, ตนเกิดขึ้นในใจเลยอย่างถ้าเรามีน้ำหนักแห่งความเป็นตัวตนเกิดขึ้นถ้ามีหูมีตาเนละ้วก็ดูไม่ยากหรอกมันทึบมันมืดมันบอดอยู่นะสังเกตแต่การจะสังเกตกิเลสนะมีเคล็ดลับบางคนก็บอกว่าดิฉันสังเกตมาสามเดือนแล้วทำหน้าอย่างนี้ดนะ้วยดิฉันสังเกตมาสามเดือนแล้ว ดิฉันยังไม่เห็นกิเลสเลยดิฉันบรรลุพระอรหันต์แล้วนี่อย่างนี้นะโอยเราเห็นแล้วอ้ยเห็นแล้วนะขนลุกเลยเนี่ยนึกถึงภาพเก่าๆที่เคยเห็นมาเนะน่ากลัวมากเลยโอหน่ากลัวเวลาที่เราจะสังเกตกิเลสเนี่ยให้สังเกตตอนที่ใจของเราเป็นปกติตอนที่ไม่ได้คิดเรื่องภาวนานะตอนเผลอๆนะแต่ถ้าตั้งหลักภาวนาแล้ว ไหนดูซิมีกิเลสไหมดูยังไงก็ไม่มีกิเลสเพราะอะไรเพราะขนาที่จงใจไปดูนะกิเลสมันหลบหมดเลยมันไม่ให้ดูหรอกน่ะจะดูกิเลสได้ต้องเล่นทีเผลออยากดูว่ามีราคาเปล่าภาวนานแล้วนึกว่าได้อนาคาได้อนาคามีเรื่องตลกนะมีบางคนหลวงพ่อถามว่าใครอยากได้นิพพานบ้าง ยกมือเต็มห้องประชุมเลยทุกคนอยากได้นิพพานบางคนอยากจะยกสองมือนะแ ต, แต่ว่าอยากมากั้งหมดความรู้สึกทางเพศเลยเนี่ยเอาไหมใครเอาบ้างม่ยกสักคนเลยอะไรวะ <c oughs> มันหลอกเราแค่นี้ก็หลอกเราแล้วอยากนิพพานนะแต่ว่าไม่มีเซ็ก์เนี่ยก็ไม่เอาแล้วแค่นี้ก็ทนไม่ได้แล้วเนี่ยดูที่กิเลสดูที่กิเลสนะถ้าเป็นโสดา โสดาสกถะคาเนี่ยแยกยากนะมันไม่มีกิเลนเด่นๆที่ต่างกันมันล้างทิฏฐิที่ผิดล้างความเห็นที่ผิดความเห็นว่ามีตัวมี ต, มตนความลังเลสงสัยในพ ร, นรนะรัตนใจการที่ปฏิบัติธรรมแบบโง้อ ง, ง่ายนะไม่มีเหตุมีผลเนี่จะเป็นแบบนั้นตัวที่สังเกตง่ายหน่อยคือความรู้สึกรู้สึกว่ายังมีเราไหมแต่ตอนที่จะเห็นว่ามีเราหรือไม่มีเราเนี่ยอย่าจงใจดูต้องเผลอๆก่อน บางคนบอกว่าเนี่ยดูอยู่ทั้งวันไม่มีเราเลยบอกให้ดูทีเฟรอร์สิเฟอไเป็นทะเลาะ ก, กับเขานะกลับมาบอกมีเราไหมไม่มีตอนนั้นมีแต่ ก, กูเออให้มันได้อย่างนั้นสิไม่มีเราเลยมีแต่ ก, กู อ, อย่างนี้ก็อย่างเนี้ยโสดายังไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นโสดานะมันจะไม่มีความรู้สึกเป็นเรานะแต่ความยึดถือในรูปนามเนี่ยมียึดถืออย่างสมบูรณ์เลยยึดถืออย่างเต็มเหนียวเลย กายนี้ไม่ใช่เราเป็นของที่ยืมโลกมาใช้แต่หวงไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายรักมันยังรักในกายจิตใจนี้ก็รักมันมันเป็นธาตุรู้เป็นธรรมชาติของโลกเป็นของสมบัติของโลกเราก็อยากให้มันสุขอยากให้มันสงบอยากให้มันดีตลอดเวลาใจของเรายังยึดถือมันอยู่เห็นแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราแต่มันยังยึดถืออยู่อันนี้เป็นปกตินะ ระหว่างความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราเนี่ยอันนี้พระโสดาละไปแต่ความยึดถือเนี่ยต้องพระอรหันต์ถือชะล้าได้หมดนั้นคนละชั้นคนละภูมิเพราะงั้นอย่างพระโสดาเนี่ยก็ยังยึดกายยึดจิตอยู่นะถ้าภาณัคขาเนี่ยไม่ยึดกายแล้วถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่ยึดจิตนี่มันจะเป็นขั้นขั้นไปใช้วิธีสังเกตเอาจิตพระอรหันต์เนี่ยจะไม่มีการไปไม่มีการมาจะไม่วิ่งจู้ดจู้จูจู ด, จ ด, จดไปนะ แล้วก็ไม่มีขอบเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งพวกเรารู้สึกแม้จิตของเรามีขอบเขตใครดูออกบ้างจิงเราเป็นดวงดวงเล็กบ้างดวงใหญ่บ้างหัดภาวนาใหม่ๆก็ดวงเล็กๆนะพอภาวนาก็ดวงชักใหญ่ถ้าจะเท่มากแล้วยังมีจุดมีดวงยังไม่จบหรอกยังไม่จบหรอกยังมีที่ตั้งมีการไปมีการมาที่ครูบาอาจารย์สอนมานะ หลวงู่ดูลก็สอนหลงพ่อมาหลวงตามาหาบัวก็สอนมาสอนอย่างเนี้จํามาบอกให้เราฟังแล้วเราสังเกตที่กิเลสวันนี้สอนเรื่องยากไปไหมัมนเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดหน่อยนะในฐานะที่พวกเราเรียนมานานแล้วต่อไปนี้หลวงพ่อจะถามที่หลวงพ่อเทศ น, เน์มานี่ใครงงยกมือขึ้นยกมือซิใครงงไม่รู้เรื่องไม่ต้องเกรงใจเอางี้ถามใหม่ ที่หวงพ่าเทศเหมือนเนี้ยใครรู้เรื่องบ้างยกมือสิพวกทางสายกลางเยอะเหลือเกินรู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ฮะพวกเหลวไหลสิไม่รู้จักตัวเองนะฟังหลวงพ่อเทศครั้งแรกแรกนะก็ยากนิดหนึ่งฟังครั้งต่อมาเนี้ยก็ง่ายสำหรับสัมมาเบื่องต่ำๆหน่อยแต่มันก็ยากขึ้นเป็นลำดับลาดับนะ นั่นทางที่ดีก็คือไปฟังซีดีบ่อยๆถ้าใครมี YouTube ก็ดู YouTube บ่อยๆแต่ CD YouTube ต้องที่หลวงพ่อเทศนะไม่ใช่ดูฟังเพลงนะดูหนังฟังเพลงมาไปฟัง CD มาหรือยังฟังมาตั้ง5ปีแล้วเอ๊ะทำไมสติไม่มีฟังอะไรฟังเพลงอย่างงี้ยไปฟังที่หลวงพ่อเทศนะฟังซ้ําแล้วซ้ำอีกไม่ต้องกลัวหรอกเพราะเราไม่โง่ออมตะหรอกเพราะความโง่ก็ไม่เที่ยงนะความไม่รู้ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันทนฟังไปฟังแล้วฟังอีก ถึงจุดหนึ่งมันจะปิ๊งขึ้นมานะตรที่มันปิ๊งขึ้นมาโอ้ที่หลวงพ่อเทศน์ง่ายะไม่เห็นต้องทําอะไรเลยก็แค่เห็นรูปเห็นนามมันทํางานเห็นอย่างนี้แต่ว่าก่อนที่มันจะเห็นรูปเห็นนามทํางานได้โห้ยลําบากนะมันจะไม่เผลอก็เพ่งคนโทษทั่าไปก็เผลอนักปฏิบัติมันก็เพ่งก็แค่นั้นเองเมื่อไหร่จะไม่เผลอเมื่อไหร่จะไม่เพ่งทําไม่ได้หรอกเผลอแล้วรูว้ว่าเผลอเพ่งแล้วรู้ว่าเพ่งนะ มันจะค่อยๆเข้าทางสายกลางของมันเองยากมากเลยว่าคนคนหนึ่งจะเข้าสู่ทางสายกลางบางคนภาวนาตั้งหลาย10ปีไม่เข้าทางสายกลางนะเคยมีตอหลวงพ่อบวชใหม่ๆนะนีคุณยายคนหนึ่งมาบอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทศนะคุณยายเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์เดียวกันแล้วยายเนี่แกไปฟังซีดีหลวงพ่อแล้วแกรู้ว่าแกติดสมถะจิตเข่งเข่งมาตั้ง60กว่าปี เรื่อง60กว่าปีไม่ธรรมดานะมาบอกให้หลวงพ่อช่วยแก้หน่อยอยากให้ขึ้นวิปัสนาอะไรเงี้ยหลวงพ่อดูแล้วแก้ไม่ไหวถ้าแก้ไปตอนนี้นะจิตจะฟุง้งซ่านมากเลยจิตที่มันเก็บกดมานานเนี่ยพอปล่อยเมื่อไหร่นะมันจะร้ายโคตรๆเลยจะร้ายแบบสุดยอดไปเลยนะถ้าขืนสุดยอดอย่างนั้นเกิดขึ้นนะอายุขนาด น, นี้นะถ้าปรับจิตเข้ามาสู่จุดศูนย์กลางไม่ทันนะความถูกต้องไม่ทันนะ เดียวไปอาบายอันตรายเกินก็อบอกให้ทําไปอย่างนี้แหละแต่พยายามให้มีร่างกายไว้นะจะาหายใจย่าอะไรก็จะจีดรวมจะ อ, อะไรก็ตามหให้มันมีร่างกายไว้สอนตัวนี้ให้สอนตัวนี้ให้เพื่ออะไรเวลาแกตายไปแกะจะได้ไปเป็นโุมชนิดที่มีร่างกายพระเมตไตรามาตรสโลยังมาฟังทำได้ เป็นพรหมเหลือแต่จิตดวงเดียวไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปแบบพรหมไม่ได้ฟังทำรอให้พระเจ้าต่อไปแก้ให้เนี่ยบางคนแก้ไม่ไหวหลวงพ่อก็ต้องปล่อยไว้นะเอาไว้ให้พระเมธไตรท่านสอนต่อสังเกตไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดเนี่ยพวกเราก็รวบจิตเข้ามาดูออกไหมรวบเข้ามาแล้วเอาออกไม่ได้ <ร> อ, ออกไม่ได้เลอค้างเลยคราวนี้ต้องยิ้มอย่างนี้มันค้างแข็งแข็งอยู่ข้างในสังเกตเอานะใช้ความสังเกตมันไม่ใช่เรื่องลึกลับอะไรหรอกเพราะเราก็สามารถรู้สามารถเห็นได้ไดฟังซีดีที่หลวงพ่อสอนใบหน้มีแผ่นไหนฟังแผ่นนั้นใช้ได้ทุกแผ่นแผ่นเดียวก็พอแล้ว แต่ฟังซ้ำๆความรู้ความเข้าใจของเราจะเปลี่ยนแต่เดิมเราเคยคิดว่าเราเข้าใจพอฟังครั้งที่สองครั้งที่สมแล้วความเข้าใจเดิมไม่ถูกหรอกอันนี้แหละเข้าใจใหม่แล้วอันนี้ถูกฟังไปอีกนะไอ้ที่เข้าใจใหม่ก็ไม่ถูกอีกแล้วนี่ความเข้าใจมันจะค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปจนกระทัามันเข้าใจจริงๆเข้าถึงใจจริงๆหาจใจออกรู้สึกตัว หายใจเข้ารู้สึกตัวใช่หายใจออกหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเวลาใช้ได้กลุ่มเนี้ไม่อยากรู้สึกเลยเพ่งอย่างนี้ไม่เรียกรู้สึกตัวนะใจมันทื่อๆใจมันแน่นๆทื่อๆคนเวลารู้สึกตัวเนี้ยดูได้ไงหน้าตามันจะไม่เหมือน คนที่เผลอนะ่ะดูออกไหมใครรู้ว่าหน้าตาตัวเองเปลี่ยนบ้างดูออกไหมไม่ใช่แก่ขึ้นนะหมายถึงมันผ่องใสเวลารู้ตัวนะมันจะใสสว่างสว่างออกมาจากข้างในนะยิ่งเราภาวนาประณีตขึ้นประณีตขึ้นแสงสว่างของจิตเนะี้ยจะแรงขึ้นได้่อยจนสามารถฟอกธาตุฟอกขันฟอกกระดูกกดี่ยวผมคนเล็บฟันหนังนี้มันฟอกหมดเลยฟอกเป็นแก้วได้เลย อย่ายความสว่างของจิตที่มันสะอาดอย่าเราอย่างพวกเราค่อยๆฝึกมาเนี่ยจมารู้ตัวนะความสว่างมันก็เกิดขึ้นแนะหน้าตาเราก็ใสมันค่อยๆใสไปข้าวของเครื่องใช้เราเนี่ยเราหยิบอันี่บ่อยๆนะนี่ก็ใสไปด้วยนะะสว่างไปด้วยนี่นเราค่อยๆฝึกของเราไปคนชั่วยอยู่ที่ไหนก็มืดที่นั้นแหละนะ คนภาวนาอยู่ที่ไหนนะภาวนาถูกน้ำเสว่างสว่างออกมาจากข้างในที่รู้เนื้อรู้ตัวเอาหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเนี่ยอย่างนี้จําความรู้สึกตรงนี้ไว้นะแต่ถ้าหลวงพ่อบอกเอาหายใจเข้ารู้สึกตัวจะแข็งตอกเลยนะแต่ถ้าหายใจออกรู้สึกตัวมันผ่อนคลายใชนะถ้ามันตึงเครียดขึ้นมาเนี่ย ถอนใจแรง ๆ, ๆสักทีสองทีรู้จักถอนใจไหมเนี่ยถอนใจอย่างนี้นะใจมันจะคลายใจมันคลายออกแล้วก็ดูกายดูใจทํางานไปด้วยจิตใจที่ผ่อนคลายนะวันนี้เทศยากไปไหมเนี่ยวันนี้ดูพวกเราเรียนมานานพอสมควรแล้วนะหลวงพ่อเทศไม่เหมือนเมื่อก่อนยากกว่าเก่าหน่อยนึงละเอียดขึ้นหน่อยนึง ค่อยๆฝึกค่อยๆทำหายใจออกรู้สึกตัวเราหายใจออกเราหายใจเข้าอยู่แล้วที่เราขาดคือรู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวไปให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เริม ก, ก้าวหน้าด้วยการแยกขันแยกขั น, ขนทํำยังไงแยกขันขันมี5้าขันรูปคือส่วนของร่างกาย เวทนาคือความสุขความทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่ววิญญาณก็คือจิตที่ออกไปรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตั้ง5้าขันแยกหขันยากไปแยกสองขันก็พอเวลาลงมือปฏิบัตินะเอาสองขันก็พอแล้วคนไหนถนัดดูกายเราก็เห็นร่างกายทางานไปใจเป็นคนดู ต้องมีใจเป็นคนดูเห็นร่างกายทำงานร่างกายเป็นผู้แสดงใจเป็นคนดูคนไหนถนัดรู้เวทนาเห็นความสุขทุกทำงานไปใจเป็นคนดูคนไหนถนัดรู้จิตก็เห็นจิตที่เป็นกุศลเห็นกุศลอกุศลแสดงเดี๋ยวกุศลก็แสดงเดี๋ยวโลภโกรดหลงก็แสดงขึ้นมาใจเป็นคนดูเนี่ยอย่างน้อยต้องมีใจเป็นคนดูนะแล้วก็ขันตัวอื่นเนี่ยเป็นตัวแสดงสักตัวหนึ่ง ถ้าร่างกายเป็นตัวแสดงท่านเรียกกายานุปัสสนาสติปัฏฐานร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวใครรู้สึกจิตเป็นคนรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวใครเป็นคนรู้ว่าร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนรู้สึกร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนก็รู้ชัดว่ามันยืนเดินนั่งนอนอยู่ใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้มีความสุขเกิดขึ้นก็รู้ว่ามีความสุขใครเป็นคนรู้ ก็คือจิตเป็นคนรู้ ม, มีโลบกรดหลงเกิดขึ้นดูกราพิสูธาหลายจิตมีราคะรู้ว่ามีราคาใครเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้เห็นหมงั้นในสติปัฏฐานนะเวลาเราลงมือทำเราไม่ต้องไปแยกขันห้าหรอกมากไปถนัดตัวใดตัวหนึ่งก็พอแล้วแต่ว่าตัวนั้นแสดงตัวนี้ดูอย่างน้อยหนึ่งตัวต้องเป็นตัวดูคือจิตแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นผู้แสดงแยกมันสองขันก็พอแล้ว นะก็มันรู้มากผลได้แล้วม่ต้องแยกทั้ง5้าขันหรอกนะถ้าแยก2ขันมันก็จะเห็นนะรูปธรรมนี้ที่แสดงอยู่ไม่ใช่เรานามาทำที่เป็นคนดูนี้ไม่ใช่เราเดี๋ยวมันก็ดูเดี๋ยวมันก็หนีไปคิดเรื่องอื่นเดี๋ยวมันก็ดูเดี๋ยวมันก็เพ่งนะเอาแน่นอนไม่ได้หรือเราดูเวทนาความสุขทุกข์เกิดขึ้นในกายความสุขทุกเฉยๆเกิดในใจจิตเป็นคนดูก็เห็นเลยความสุขทุก์ไม่ใช่จิตความสุขทุก ข, ไ ข, กข์ไม่ใช่ร่างกายนะ ความสุขทุกข์เป็นสภาวะต่างหากเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปล่วนแต่เมตเทียงเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้จิตที่เป็นคนดูก็เหมือนกันสั่งไม่ได้เดี๋ยวก็เป็นผู้ดูเดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเนเวลาดูจิตตานุปัสสนานะเราก็เห็นจิตมีราคะล้วก็หายไปจิตมีโทสะลรวก็หายไปใครเป็นคนดูจิตเป็นคนดูราคะโทสะไม่ใช่จิตเป็นสังขารขัน นี่ค่อยๆหัดแจกขหัดดูนะไม่ยากอะไรหรอกใช้เวลาไม่มากแต่ว่าต้องจับหลักให้ได้จะจับหลักถ้าฟังทีเดียวสองทีไม่เข้าใจไปฟัง CD นะฟังเรื่อยๆแล้วก็จับได้คนที่ฟัง CD ดีหลวงพ่อจริงๆแล้วก็ไม่ใช่พวกติดเพ่งไม่ใช่พวกคิดมากสองตระกูลนี้นะเดือนเดียวก็าภาาเป็นแล้แยกขันได้แล้วทุกวันนี้เต็มไปหมดเลยคนที่แยกขันได้เห็นขั น, สนแสดงใจรักได้แย่ๆไปหมด พวกที่ทำไม่ได้ก็มี2ตระกูลตระกูลนับเพ่งเพ่งลูกเดียวแยกรวมนามซิอย่าไปจ้องมันพูดอะไรไม่รู้เรื่องกูจ้องกูอยู่เียพวกเนี้ยเรียนไม่รู้เรื่องอีกพวกหนึ่งคิดอย่างเดียวเลยบอกอย่าไปคิดเอาให้รู้สึกเอาให้รู้ความรู้สึกเอาอะไรเงี้ยอย่าไปคิดเอาไม่ได้ต้องคิดใร ล, ลักอะไรเงี้ยคิดใจ ล, ลักก็เป็นสมถานะต้องเห็นใจ ล, ลัก เส้นทางที่ผิดนะ่เต้นไปหมดเลยค่อยๆเรียนค่อยๆฟังไปแล้วเราก็จะพบวันหนึ่งเราจะพบสิ่งซึ่งน่าตื่นเต้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราลงมือทำมาเนี้ยผิดทั้งหมดเลยแต่ถ้าไม่ทำผิดมากกว่าทำไปนี้แหละทำผิดๆนี้แหละรู้ที่ผิดนะแล้ววันหนึ่งถูกมีพระองค์หนึ่งมามาไกลจากอีสาน อาอยุเยอะปาหลวงพ่อย์ภาวนาเก่งเขาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่าเนี่ยทุกวันนี้ท่านภาวนานะมันจะขึ้นเขาวนไปรอบภูเขาเลยตื่นนอนมาก็คิดวันนี้จะภาวนายัางไงดีเอาแล้ววะช่องนี้แหละภาวนาไปเรื่อยๆอ้าผิดอีกถอยกลับมาตั้งหลักใหม่รู้สึกตัวใหม่เนี่ยทายังไงจะถูก คล้ายๆเดินวนเที่ยวหานะหาทางขึ้นเขาช่องนี้ล่ะขึ้นได้ขึ้นไปสัาพก็ไม่ใช่อีกละเลยมาถามหลวงพ่อท่านอาจารย์แล้วช่องไหนที่มันถูกอะหลพ่อต่อไม่มีหรอกใจเนี่ยยังอยากหลุดพ้นอยู่นะใจดิ้นรนสแสวงหาอยู่แต่ต้องดิ้นรนก่อนถูกแล้วถ้าไม่ดิ้นร น, นจะจมกิเลสตรงที่ดิ้นรนเนี่ยจะปรุงแต่งความดีไปเรื่อยทำอย่างนี้ทาอย่างนี้ทำอย่างนี้ ทำอย่างนี้น่าจะได้ทำอย่างนี้น่าจะบรรลุแล้ววันหนึ่งเนี่ยมันจะพบความจริงจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตมีความปรุงแตง่งจิตก็มีความทุกข์วันที่เข้าใจเนเข้าใจธรรมะเข้าใจความเป็นจริงมันเกิดปิ๊งขึ้นมาเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามความเป็นจริงเบื้องต้นคือไม่มีเรารูปนามนี้ไม่ใช่เราไม่มีเราที่ไหนเลย ไม่เกี่ยวอะไรกับการทําทานถือศีล น, นั่งสมาธิอะไรทั้งสิ้นเลยนะมันเป็นความที่จิตมันปิ๊งขึ้นมาแต่อยู่ๆจิตไม่ปิ๊งหรอกต้องอาศัยทําทานถือศีลทําสมาธิจเจริญปัญญานั่นแหละเจริญปัญญาไปสุดขีดเลยนะถึงจุดหนึ่งนะี่โอ้ไม่ได้ไม่ได้นะจิตหยุดหมดการดินน้นรนแสวงหาหมดความอยากที่จะบรรลุตรงที่ทํามาเต็มเหนี่ยวแล้วนะแล้วหมดความอยากที่จะบรรลุเนี่ย จิตมันปฏิบัติของมันเองการที่เราเคยฝึกตัวเองจะมีสติอัตโนมัติมีศีลอัตโนมัติมีสมาธิอัตโนมัติเจริญปัญญาแยกรูปนามเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์อัตโนมัติเนี่ยถึงวันที่เราหมดความจงใจจะปฏิบัตินีสติศีลสมาธิปัญญามันทํางานอัตโนมัติแต่เราไม่ได้เจือความจงใจไม่ได้เจือโลภะเจตนาลงไป ตรงที่มันทําของมันเองเนี่ยมันแก่รอบเต็มที่มันทําของมันได้เองนะตัวนั้นแหละมรรคผลถึงจะเกิดนั้นเบื้อต้นก็มีโลภะเจตนาไปก่อนทุกคราวที่ทําขึ้นมาก็คือการสร้างภพเป็นภพที่ดีทั้งนั้นเลยที่สร้างขึ้นมานั่นคือภพทั้งสิ้นเลยถามว่าสร้างภพแล้วจะบรรลุมรรคผลไหมไม่บรรลุหรอกแต่การสร้างภพแล้วก็ได้เรียนรู้ไปมีความอยากก็มีความยึดมีความยึดแล้วก็มีความดิ้นรนของจิตมีความดิ้นรนของจิตก็มีความทุกข์ขึ้นมาเนี่ย มันจะเห็นความจริงเรื่อยไปดูรูปดูนามทํางานไปแล้วมันเห็นความจริงเบื้องต้นไม่มีตัวเราความจริงเบื้องปลายมีแต่ตัวทุกเนี่ยมันเห็นเองนะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไอ้ที่เรานั่งทำทุกวันนี้หรอกแต่ถ้าไม่ได้ทําอย่างทุกวันนี้ก็ไม่บรรลุนะเรต้องมีทานมีศีลมีสมาธิมีปัญญาอะไรทําของเราไปความดีทั้งหลายทําไปแต่ไม่ได้บรรลุเพราะความดีทั้งหลายนี่หรอกบรรลุเพราะจิตมันปิ้งขึ้นมา แต่ว่าอยู่ๆมันไม่ปิ้งหรอกนะถ้าไม่ได้ทำความดีให้มันเป็นอัตโนมัติเลยยากไปไหมยากไปไหมไม่ยากเพราะไม่ต้องทำอะไรรู้ทันกิเลสนะกิเลสเกิดแล้วรู้ทันจะยากอะไรนะี่ยฝึกเอานะนี่หลวงพ่อตั้งใจไว้หลวงพ่อจะรับนิมนต์ประเทศที่ไกลๆต้องนั่งเรือบินมาอะไรอย่างงี้นะสิ้ปี60 61หนึ่งว่าจะเทศอยู่ที่วัดหรือใกล้ๆวัดแล้วละ แก่แล้ววิ่งขึ้นหรือบินไม่ทั น, นสนามบินมันย้อใหญ่นะงั้นหลพอจะมาเทศที่นี่นะอีกสักสองสามปีสองสามปีเนี่ยถ้าพวกเราขยันตั้งแต่วันนี้นะทันเหลือเฟือเพราะเดือนสองเดือนเนี่ยถ้าเราดูของเราเรื่อยๆนะด้วยใจที่ฉลาดใจที่ประเนแตแป่เดียวก็เป็นใช้เวลาไม่มากหรอกนะแต่ถ้าเรายังขี้เกียจอยู่นะก็บายบาย บางคนต่างไปช่วยไม่ได้แล้วล่ะช่วยไม่ไหวเท่าที่ดูพวกเราก็โอเคนะตลภาพ่อมเทศปีแรกเนะี่ยคนเลยภูเขาไปอีกคนเยอะมากเลยแต่หาคุณภาพไม่ได้เลยมีจำนวนแต่ไม่มีคุณภาพพอศาลาเสร็จนีน่คนที่เหลือเต็มศาลานี้แหละแต่มันมีคุณภาพคุณภาพมันต่างกันมากเลยมันได้ผ่านการกลันกรองมาหลายปีแล้ว พวกที่บุญไม่ถึงนะพวกขี้เกียจขี้คลานพวกสติปัญญาไม่ถึงก็หลุดออกไปกระทั่งในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนที่มาพบพระพุทธเจ้านะได้เห็นพระพุทธเจ้ามีไม่มากแต่คนที่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วมีส่วนน้อยออกที่ได้บรรลุนะคนส่วนใหญ่มันก็ยังไม่ได้อีกอย่างีสีมันยังไม่แก่กล้าพอคนที่ได้ขึ้นมาจริงๆครีมขึ้นมาจริงจก็มีไม่มากหรอก ศา ส, สนาพุทธเป็นศาสนาของคนส่วนน้อยมาแต่ในแต่ไรเป็นคนที่มีสติมีปัญญาเป็นคนที่พึ่งตัวเองนะซึ่งมันฝืนธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์ชอบ พ, พึ่งคนอื่นชอบ พ, พึ่งสิ่งอื่นไม่มีอะไรให้พึ่งนะอยากพึ่งต้นไม้ก็มีนะบางคนก็มีต้นไม้เป็นสารณะปลูกต้นไม้ไว้ต้นนะถึงเดือนหนึ่งก็ไปขัดขัดมีต้นไม้เป็นที่พึ่งขัด ข้างขึ้นต้องขัดอย่างนี้เนี่ยขัดขึ้นข้างแรงขัดลงเนาะถามว่าถูกไหมถูกทุกงวดเลยถูกทุกงวดเล ย, ยถูกกินนะสังเกตนะอย่าเล่นหวยเลยเขาหลือนักสำนักนี้ให้หวยเก่งอาจารย์นี้ให้หวยเก่งนะมีคนถูกทุกงวดเลยอยมีคนเข้าไปขอหวยแต่ละงวดจะเป็นพันพันคนเนี้ยนะ อาจารย์แกให้คนระเบอร์ยังไงมันก็ถูกวะไอ้คนที่ผิดมันก็บอกว่าเราตีความผิดบุญเราไม่ถึงคนที่ถูกก็ดีใจโฆษณาใหญ่ว่าถูกไอ้คนที่ถูกกีเ่เนื้อเงียบเลยเราก็หลงผิดแล้โอ้เข้าให้แม่นอย่าไปเสียเวลานะเสียเวลาเมื่อก่อนนะที่เชียงใหม่มีครูบาอาจารย์หลวงันทองอินอยู่วัดสันติธรรมใครเคยรู้จักไหมชันทองอินเป็นลูกศิษย์หลวงปู่สิมนะ คุ้นกับหลวงพ่ออยู่ท่านเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยหนุ่มๆ น, นะไปพอนาในป่าเดินทุดงไปอยู่ในถ้าชาวบ้านก็มาถามท่านอาจารย์เห็นอะไรดีๆบ้างละ่ะเนี่ยถ้ามาถามหลวงพ่อหลวงพ่อจะบอกเห็นกิเลสออมันจะไปหมดเลยคราเนี่ยมันไม่เอาแล้ว <laughs> เห็นกิเลสไม่สนุกเห็นอะไรดีบ้างท่านบอกเอ๊ไม่เห็นอะไรแต่ใจท่านเริ่มสนใจแล้วมันเห็นอยากเห็นเบอร์ นั่งสมาธินะเลขมันขึ้นที่ผนังถ้าขึ้นพรุดเดียวเลยหกตัวเลยเช้าขึ้นมาท่านก็ไปบอกโยมโยมมาถามว่าวันนี้ฝันอะไรบ้างอ่ะเออฝันเห็นเลขหกตัวโยมไม่เอาว่าพระอะไรว่าให้หวยทีละหกตัวมันเวอเลยนะไม่เชื่อหรอกแล้วก็มันถูกนะรางวัลที่หนึ่งอ่ะหกตัวเนี้ยโอ้ยอีกงวดหนึ่งนะถ้าแทบแตกเลยะ ญาติโยมมาเยอะเลยวันนี้เห็นอะไรล่ะวันนี้ยังไม่เห็นไปเช้าก็ามาเห็นอะไรโอเห็นหกตัวมันถูกกันทั้งหมู่บ้านเลยถูกหวยนะเจ้ามือจะมาฆ่าท่านอีกงวดหนึ่งจิตท่านมันมีกิเลสแล้วอยากเห็นอยากเห็นเห็นพรึบมาไปบอกชาวบ้านหกตัวไม่ถูกสักตัวเลยคราวนี้ชาวบ้านจะฆ่าท่านอีกแล้ว <laughs> ท่นวันนี้นีกลับมาหาหลวงปู่สิมนะยังไม่ทันจะรายงานผลเลยถูกหลวงปู่ด่าเลยเลือกไปให้ใหวยเขาอย่าไปเล่นนะใบยมุกอบยมุกเป็นชื่อของมุก ค, คือประตูประตูของความเสื่อมนะที่เลาเมายาเล่นการพานันอะไรพวกนี้เลิกซะไม่ดีคนไทยเป็นเยอะชอบกินเหล้าชอบเล่นพนันพวกเราคงไม่เท่าไหร่หรอกนะหน้าตาก็ดูฝองใสอยู่ มีส่วนน้อยที่หน้ามอมมอมนะมีไม่มากก็ <c oughs> ตั้งใจถือศีลห้าสรุปนะถือศีลห้าไว้ทุกวันทำในรูปแบบคอยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนขยับมือจิตหนีไปรู้ทันดูท้องพองยบจิตหนีไปรู้ทันพุโทโธหรือหายใจจิตหนีไปเรารู้ทันรู้บ่อยๆไม่ห้ามหนีเรารู้นีเรารู้จิตมันจะตั้งเป็นผู้รู้ขึ้นมา จิมัเป็นผู้รู้แล้วก็ดูรูปหนามมันทํางานเห็นร่างกายทํางานใจเป็นคนดูเห็นความสุขทุกทํางานใจเป็นคนดูเห็นกิเลสทํางานใจเป็นคนดูฝึกไปอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวอะไรกับการคิดพิจารณาเลยนะคิดพิจารณาไตรลักษณ์อะไรก็ไม่ใช่วิปั ส, สนาอ่นั่งเพ่งอยู่ก็ไม่ใช่วิปัสนาจ้องไม่ใช่เอานะลองดู ชีวิตหนึง่งใช้เวลาไม่มากหรอกในการภาวนาไปทำดูนะถ้าสงสัยไม่เจอหลวงพ่อก็ไม่เป็นไรไปเปิดซีดีหลวงพ่อฟังก่อนเปิดนะยกมือไหว้ก่อนนะไหว้พระพุทธเจ้าก่อนเจ้าประคูนขอให้เจอคำตอบแล้วไปเปิดฟังรับรองในชั่วโมงนั้นต้องเจอเพราะหลวงพ่อเทศทุกกัรเนีย่ยครบทุกเรื่องเจอแน่นอนไปฝึกนะสงสัยแลไปฟังเอา สังเกตตัวเองถ้าคิดว่าบรรลุมรรคผลให้สังเกตกิเลสแต่สังเกตตอนที่ใจเผลอๆใจเป็นธรรมชาติอย่าสังเกตตอนใจวางฟอร์มใจกาลังวางฟอร์มจะดูไม่ออกต้องระวังนะคนตั้งเราเป็นชั้นนนชันนี้ก็เยอะเหมือนกันอ่ะต่อไปส่งกันบ้านกลาบนมัส ก, การค่ะหลวงพ่อค่ะใจมันทื่อๆค่ะแล้วก็พยายามที่จะแบบ นั่นแหเพราะว่ามันเพราะว่ามันจงใจในจงใจนะมันก็ไปบังคับตัวเองก็ทื่อๆทาไมจงใจเพราะมันอยากดีค่ะทําไมมันอยากดีเพราะมันรักตัวเองนั่นแหละมันไล่มาอย่างนี้หลวพ่อ ม, มีคําแนะนำสำหรับเหใจที่โลภไหมเห็นค่ะอยากได้คําแนะนํารู้โลกปัจจุบันคําแนะนําของหลวงพ่อก็คือรู้สภาวะโลกปัจจุบันอย่างที่มันเป็นไปดูง่ายๆทอนี้ไม่ได้มีอะไรลึกลับหรอก ใจหนีไปหรือยังค่ะเนี่ยหนีไปแล้วก็รู้เอาค่ะแต่ฝึกเอาค <หา S 1> ่ะฝึกรู้ปัจจุบันค <หา S 1> ่ะการหลงพ่อเจ้าค่ะโยมฟังซีดีหลวงพ่อมาได้สองปีแล้วเจ้าค่ะเออล้วเห็นอะไรม้างะ่ะแต่โยมเดินจงกมแล้วก็นั่งสมาธิเจ้าค่ะดูลมหายใจเจ้าค่ะแล้วก็ดูจิตเพราะว่ามันไหลไปก็รู้เจ้าค่ะอืม แต่รู้สึกว่าที่แยกนี่ยยมไม่รู้เลยเจ้ะค่ะไม่เป็นไรหรอกทำยังไงครับไม่จำเป็นต้องรู้หรอกรแต่ว่ามันก็แยกเป็นสังเกตไหมว่า<ก>ความรู้สึกสุขทุกข์มันมาแล้วมันก็ไปดูออกไหมเจ้าข้าดูออกกิเลสมันมาแล้วมันก็ไปไหยใจเราเป็นคนดูแล้ว ค, ความสุขทุกข์กับใจเราคนละอันกันใจกับกิเลสอะไรนี้ก็โคนละอนกันเรายิ้มสิยิ้มหวาน เเออห็นร่างกายยิ้มไหมหัวเราะก็ได้เห็นร่างกายหัวเราะไหมเนี่ยร่างกายหัวเราะใจเป็นคนดูลองขยับมือสิเนี่ยร่างกายขยับมือใจเป็นคนดูนะแล้วรู้สึกแต่กายกับใจมันคนละอันอย่างนี้หมายความว่าแยกใช่ไหมจะปะแยกเลยดูก็กระดุกกระดิกไปโยไม่รู้ยูไม่ออเออไม่เป็นไรดูไม่เป็นก็ช่างมันบางคนอ่ะมันใจมันเห็นนะมันพูดไม่เป็นจ ไม่เป็นไม่สําคัญหรอกสําคัญที่ใจมันเป็น <Okay. S 2> เห็นหรื อ, อยังว่ากิเลสมันมาแล้วก็ไปตรงนั้นแหละสำคัญกว่าพยมไม่ออกไม่รู้เลยค่ะรู้จักใจที่ชอบขําครวนไหมรู้จักเออรู้จักเห็นไหมพล้วต่อไปนี้เวลามันขวนขึ้นมานะรู้ทันว่ามันขําครวน <Okay. S 2> นะมันสบายใจรู้ว่ามันสบายใจ <Okay. S 2> มันคลุ้มใจรู้ว่าคลุ้มใจ <Okay. S 2> ดูเราปัจจุบันไปเรื่อยๆไม่ต้องรู้อะไรเยอะหรอก <Okay. S 2> นะ รู้ใจมันคล่ำครวนก็รู้ใจมันสบายก็รู้ใจมันรุ่มใจก็รู้รู้เท่านี้ก็พอละ โ, อโยมอยากรู้ว่ายมทำถูกทางหรือเปล่าคะถูกเสียแต่ชอบคล่ำครวนไปหน่อยอ <laughs> แล้วโยมอยากให้หลวงพ่อแก้ให้หน่อยสคะ จะทำยังไงตกไปแล้วจะนี่ไงคอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองนะเอใจมันมีความสุขก็รู้จใจมันทุ่มใจก็รู้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปไม่ได้ไปฝึกแก้ไขอะไรหรอกเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้ไปฝึกแค่นี้ก็พอแล้วจใจลอยหรือยังกราบนิมัสการท่านพระอาจารย์ค่ะ อตอนแรกๆที่หนูทําหนูก็ทําผิดตั้งหลายอย่างแต่เดือนแรกที่ทหนูทําน่ะหนูอจิตหนูไปซึมอยู่กับสมาธิมไม่ยอมรับรู้รวกภายนอกอจนเกิดเรื่องเกิดราวค่ะแล้วก็มาฟังของอาจารย์ซ้ําไปซ้ำมาอีกทุกวันวันละประมาณหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงแล้วอหนูก็มาตอนนี้หนูมาติดตรงที่ว่ากลางคืนนะคะหนูชอบสวดมนต์แล้วก็ใช้สมาธิเป็นเป็นยานอนหลับแล้วหนูก็ไม่ได้ใช้ยานอนหลับอีกเลยไม่ทราบว่าหนูจะทําถูกไหมคะอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องกินยาค่ะ เพราะหนูชีวิตหนูคือมีแต่งานกับงานก็เลยว่าเป็นคนที่ว่าค่อนข้างจะเครียดค่ะก็เลยหลับยากรู้ทางความรู้สึกของตัวเองได้นะถ้ารู้ความรู้สึกไม่ได้มันเวียนหัวมากวุ่นวายมากดูร่างกายรู้สึกไหมกายกระใจมันโคนล้านกันนั่นมันแยกแล้วขันมันแยกได้แล้วนะเมื่อขันมันแยกได้แล้วมันไม่ยากแล้วมีตรรกะมันก็เห็นเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยไปหยับไปไม่ใช่เราหรอกมันมีความรู้สึกว่าไม่ใช่เรา มีมีอยู่ครัง้งมันหยาบพูดแล้วเห็นไหมมันจะตันขึนขน้นตรหน้าหกนะมีอยู่ครั้งค่ะหลวงพ่อคะตอนนั้นหนูคือหนูตกใจมากตัวหนูหายไปเลยไม่ทราบผิดหรือเปล่าคะอะไรหายนะตัวหนูหายไปเลยคะ่ะคื อ, เ ห, อเหมือนเหมือนว่าเราจะเราเร า, เราตายหรือเปล่าคะ่ะไม่ตายหรอกเดี๋ยวมันก็มาอ๋อค่ะเวลาเราทําสมาธินะร่างกายมันจะหายไปเวลาจิตรวมอ่ะพอร่างากายหายไปเหลือจิตเดียวแต่มาพอมีร่างกายเกิดขึ้นมามันจะเกิด ความรู้สึกที่แปลกอย่างหนึ่งนะตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยเราจะมีความรู้สึกอย่างลึกซึ้งเลยว่ากายกับใจเนี่ยขนและอันกันเพราะกายเนี่นมันหายไปละมันเหลือแต่ใจอันเดียวแต่ถ้าบางคนภาวนาจิตรวมปุ๊บจิตก็าหายไปด้วยกายก็าหายพวกนี้ใช้ไม่ได้นะเป็นพรหมลูกฟักแต่ถ้าร่างกายหายไปแล้วเหลือจิตเป็นคนดูอยู่ยังรู้ตัวอยู่นะแต่ไม่มีกายพอกลับมามีร่างกายเนี่ยจะเห็นว่ากายกับใจเนี่ยขนและอันจะแยกขาดเลยค มีพระมีเนนอะเนนอายุสิบห้าเมาจากเมืองลาวนะตั้งซีดีหลวงพ่อแสดงว่าซีดีเราข้ามประเทศนะออข้ามไปเมืองลาวฟังแล้วมาส่งเงนบ้านแล้วเนี่ยผมนั่งสมาธิอยู่จิตมันรวมปุ๊บไปร่างกายก็หายโรค ก, ก็หายไปหลวงพ่อถามแล้วยังเหลือจิตอยู่เปล่าเหลือผู้รู้อยู่เปล่าบอกเหลือแล้วเนนเห็นไหมว่าพอมามีร่างกายเกิดขึ้นใหม่เนี่ย เนี่ยจะเห็นชัดเลยว่ากายกับใจเนี่ยคนละอันกันบอกเห็นมันไม่เคยรวมกันอีกเลยงั้นถ้าคนไหนภาวนาจนถึงอัปปนาสมาธินะจนกระทั่งโลกดับร่างกายดับเลอได้จิตดวงเดียวพวกเนี้ยขันแยกตลอดชีวิตเลยน ะ, ะกายกับใจแยกขาดจากกันเลยไม่รวมหรอกเพราะมันเคยเห็นแล้วร่างกายไม่มีก็ได้แต่ถ้าเราทําสมาธิได้ระดับนี้ไม่ได้นะ เราก็ใช้คณิกะสมาธิเผลอเรารู้เผลอเรารู้เนี่ยก็ได้ได้ทีละหน่อยแยกบ้างรวมบ้างแยกบ้างรวมบ้างส่วนใหญ่รวมแยกน้อยหน่อยตอทีแรกอ่ะฝึกไปฝึกไปมันก็แยกบ่อยมันก็จะแยกออกมาแบบเดียวกับพวกที่เขาส่งชนันค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวก็สนุกสนุกขอบคุณค่ะกล่าวนมัศการจ้าค่ะเห็นไม่ว่าปีนี้กับปีกลายไม่เหมือนกัน <c oughs> ดูออกไหม ดูออกเจ้าคะ่ะโอ้แล้วจะสงสัยอะไรครับ <laughs> โ, โยมสงสัยสมาธิโยมไม่เข้าใจเจ้าคะ่ะมันมีสมาธิตอนตอนหลับอยู่ก็เหมือนสมาธิมันจะแรงมากมันดันขึ้นมาแล้วไม่ทำไมมันร้อนเจ้าคะ่ะมันรู้สึกร้อนอถูกสิเวลาพลังงานจิตตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมานะ มันจะรับพลังที่ดีนะพลังงานที่ดีร้อนมันร้อนนะเจ้าค่ะโยมกลัวมันเป็นอะไรปล่าไม่เป็นอ๋อร้อนเนี่ยค่อยๆแผดเผาร่างกายเรานะเจ้าค่ะให้ใส่เป็นแก้วเลยออร้อนแล้วก็ห่มผ้าอยู่ก็ต้องเอาออกงู้นทำไมร้อนอย่างนี้ต้องถามหลวงพ่อเจ้าค่ะไม่ปกติหรอกเจ้าค่ะ ถูกนะเจ้าค่ะถูกแต่เป็นเรื่องสมาธินะเจ้าคะ่ะอยู่ข้างนอกเราก็เห็นกายกระใจเป็นโคราชกันเจ้า ค, ะค่ะเป็นอย่างนั้นแลถูกแล้วเห็นเจ้าค่ะยอมตั้งใจจะมากราบขอบคุณพระธรรมของพระพุทธเจ้าออแต่ขอพระคุณหลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์ที่พระธาตุกดแก้วออแล้วคุณมะลีปาราว<อ>งด้ว่ยเจ้าคะออา่ะคือท่านี้ค่ะเจ้าค่ะ หลวงพ่อมีอะไรนด้ทาเจ้าค่ะกายกระใจโคนละอันเจ้าค่ะกายนี้เหมือนเปลือกเหมือนถ้าที่จิตอาศัยอยู่ชัวคราวถึงวันนึงเขทิ้งมันไปเจ้าค่ะดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆเจ้าค่ะกราบขอบคุณเมื่อไรจะเลิกเพลงรำสการ์ครับหลวงพ่อเพลงไหมเพลงครับครับครั้งแรกยังฟุ้งซ่านครับก็อย่างดีก็ผมคิดว่าน่าจะมองเห็นความชั่วในตัวเองเยอะเยอะถ้าอย่างนั้นพอวนาถูกนะ ถ้าภาวนาผิดนะเห็นแต่ความดีโดีดีแต่ก็คือก็ยังไม่แน่ใจครับหมวพ่อครับไม่ไม่ทราบว่าตอนนี้เห็นนะเห็นถูกนะแต่ว่าปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมปกติตอนนี้จิตรู้ว่าตื่นเต้นครับเพราะเป็นครั้งแรกที่ได้มาส่งหลวง่อมันเกินธรรมดาใช่ใช่มกลายเป็นเพ่งกดลงไปครับจิตถึงฐานหรือเปล่าขณะดนี้ยังครับเออตอบถูกใช้ได้แล้วล่ะ ค, คือที่หลวงพ่อสอนนะสอนให้พวกเราหัดรู้สภาวะที่หลวงพ่อถามเนี่ยเพื่อทดสอบว่าเรารู้สภาวะถูกไหมครับผมเรารู้ว่าตอนนี้จิตเราไม่ถูกอย่างนี้นๆๆๆๆก็แสดงว่าเราเห็นนะนะรู้สิ่งที่ผิดมันก็ถูกแล้วละ่ะไปทำต่อไปทําต่อไปใช่ไหมครับหลวงพ่อแต่จิตต้องถึงฐานจริงๆนะเข้าหลวงพ่อไปว่างๆข้างนอกก็แล้วกันแล้วผมควรจะทำยังไงต่อไปดีคือการปฏิบัติเนี่ย ไม่ให้เกินกายออกไปรู้สึกในกายรู้สึกในใจไปเรื่อยๆดูของเราเองอย่าเที่ยวออกไปดูคนอื่นนะชอบไปดูจิตคนอื่นหรือเปล่ามีบ้างครับที่หลุดไปครวหนนะ้าอย่าไปอย่าไปเล่นนะครับถ้าเล่นแล้วมันจะเพลินครับถ้าเรายังไม่เข้าถึงทำเอาไปดูจิตคนอื่นนะมันจะไม่กลับมาดูจิตตัวเองมันจะดูยากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันจะวัยในการไปดูคนอื่นมากขึ้นเรื่อยๆงั้นวันนี้เราไม่สนใจคนอื่นนะเอาตัวรอดก่อน ได้ครับหลวงพ่อครับก็ขอคามาหลวงพ่อแล้วก็บทนาหลวงพ่อแล้วผมจะตั้งใจทําจนจนกว่าจะจะได้ครับให้เรื่อยๆไม่เอาไม่ทำจนจะได้ไม่เอาเอาได้แล้วก็เลิกทําเหรอขอทําตลอดไปจนกว่าเออครับผมจนกว่าจะทําไปจนกว่าจะนิพพานจนกว่าที่ครับหลวงพ่อวัฒนาสาธุครับครับผมถ้าหวังว่าจะได้มันจะไม่ได้เราต้องมีลูกเล่นนะ ถ้าอยากได้มันไม่ได้นั้นเราอย่าไปอยากนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่าไปคิดว่าเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้คิดว่านั่งบูชาพระพุทธเจ้าเดินบูชาพระพุทธเจ้านะคอยรู้กายคอยรู้ใจเห็นใจเห็นใจทํางานได้ไม่ได้เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราวางใจอย่างนี้แล้วจะเร็วครูบาอาจารย์สอนอวบายอันนี้ไว้นะท่านบอกว่าจะจับแต่แกล้งปล่อยถ้ากูจะเอาเราก็ช้าะ การนมัสการจะขาดลงข้อโ อ, เ, อเห็นเปล่าว่าไม่เหมือนเป่าไม่เหมือนค่ะไม่ได้แล้วแต่เห็นความร้ายกาจของตัวเองเยอะมากนั่นตัวจริงโยมมาถูกทางเลยใช่ไหมค่ะโ อ, โ อ, โอสาธุค่ะขอถวายกันจิตถึงฐานหรือเปล่าค่ะจิตถึงฐานหรือเปล่าตอนเนี้ยไม่แน่ใจค่ะจิตอยู่ข้างในหรืออยู่ข้างนอกโอหมันเต้นตุกๆเลยใช่ไหมไอ้เรหัวใจมันเต้นตุกๆหัวใจ เห็นไหมจิตมันอยู่ข้างนอกมันไม่เข้ามาลองย้อนมาดูสิมันจะเด้งออกคเนี่ยเด้งออกแล้วยังต้องเข้ารู้ทันนะว่าจิตยังไม่เข้าฐานออ๋ถ้าไม่เข้าฐานแล้วเรารู้ว่าไม่เข้าฐานใช้ได้มันจะเข้าเองแต่ถ้ามันไม่เข้าแล้วเรานึกว่าเข้าแล้วนะอันนี้ลำบากจิตไม่อยู่กับหลวงพ่อหรือเปล่าอแม้จิตไม่อยู่กับหลวงพ่อมันไม่ได้ดูรูปนําม นะกลับย้อนกลับมาที่ตัวเองเนี่ยก็ค่ะขอถวายกันปฏิบัติบูชาแต่พระพุทธเจ้าก็บูชาครูบาอาจารย์แล้หลวงพ่อปามามุตช่วยด้วยพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าท่านดีจริงๆนะสอนธรรมะให้เราสอนยากมากกว่าคนคนหนึ่งนะจะเข้าใจได้นี่ยากมากเลยท่านก็อุตส่าห์ถ่ายทอดธรรมะออกมาบุญคุณท่านเยอะนะความดีท่านก็มาก ยิ่งเราพอนานะเรายิ่งรักพระพุทธเจ้าเราเห็นกิเลสเราแล้วเรายิ่งรักพระอะว่ามาไม่ต้องทำซึมไม่ต้องทำปีเตี้ว่ามาดึนเต้นเจ้าค่ะหายใจหายใจออกไม่ไหวเลยทุกตอนนี้ส่งการบ้านเป็นรอบที่สองแล้วค่ะเออเห็นหรือเปล่าว่าเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันเห็นเจ้าค่ะนั่นแหละดี ยมส่งการบ้านไปเมื่อปีก่อนหลวงพ่อบอกว่ากายกายกับจิตมันแยกกันแล้วให้ไปดูอย่างเดิมดูกายดูใจเขาทํางานเออยมก็ดูไปเห็นไหมเห็นเจ้าค่ะเห็นตลอดไหมไม่ตลอดเจ้าคะเนี่ยคาถามนี้หลอกนะเห็นตลอดเลยแสดงว่าเพ่งต้องรู้บ้างเผลอบ้างเจ้าค่ะใช้ได้ดีแล้วเมื่อต้นต้นปีเจ้าค่ะเห็นความทุกข์ โยมก็ปฏิบัติไปเห็นดูอยู่กับชีวิตประจําวันแล้วก็ทําตามรูปแบบกลางคืนเดินจงกรมหนักไปทางเดินจงกรมมีวันหนึ่งโยมก็ปฏิบัติเสร็จแล้วก็หลับไปตื่นมาประมาณตีสองจะเห็นความทุกข์เห็นความทุกข์มันหมุนอยู่ที่อก mm hmm. ทุกข์มาก mm hmm. ทุกข์เหมือนใจจะขาดเหมือนจะ<อ>ตายเลยอย่างนั้นนะคะ เป็นอยู่ทุกอยู่ได้สามสี่วันก็ดูมันไปทุกมันก็ไม่เที่ยงเออุกมื่อก่อนเห็นมันมีมีทั้งสุขมีทั้งทุกมาวันนั้นเห็นมันไม่มีไม่มีสุขเลยเจ้าค่ะ ม, มีแต่ทุกที่เจรณาตุกไปตรงไหนมันก็มีแต่ทุกเจ้าค่ะออกําลังเรายังไม่พอนะเจ้าค่ะใจมันยังฟุ้งอยู่เจ้าค่ะรู้สึกไหมจิตมันไม่มีพลังเจ้าค่ะตัวนี้ไปเพิ่มพลังของจิตขึ้นมา ทำสมาถานั่นแหละเจ้าค่ะหรือหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยคอยรู้สึกรู้สึกนะเจ้าค่ะกําลังมันเพิ่มกําลังมันเพิ่มน้้วมันเดินปัญญาได้ดีกว่านี้เจ้าค่ะตอนนี้แรงไม่พอเจดูออกเปล่าดูออกเจ้าค่ะเลือออกแล้วมาถามทําไมมันแก่ไม่รู้ว่าจะเดินยังไงเจ้าค่ะรู้อยู่ว่ามันไม่พอเจ้าค่ะยังได้อย่าให้หกล้มเจ้าค่ะ จะแรงไม่พอนะการทำสมาถะบ้างเดินปัญญารวดไปเลยแต่ไม่มีคือเมื่อก่อนยมติดสมาธิเจ้าค่ะนั่งทั้งวันก็เลยกวดติดสมาธิอีกก็เลยไม่ยอมเจ้าค่ะไม่กล้าที่จะนั่งสมาธินานๆเจ้าค่ะกวดติดอย่าทิ้งสมาธิเจ้าค่ะไม่มีสมาธิไม่มีแรงเจ้าค่ะสมาธิเป็นแรงตัวหนึ่งนะเป็นพละในพละห้ามีสมาธิเป็นพละตัวหนึ่ง อันนี้พละตัวนี้อ่อนสาธุเจ้าค่ะกราบนมัส ก, การค่ะที่หลวงพ่อเทศมาทั้งหบทยมรู้สึกว่าขอเวลาแป๊บหนึ่งที่หลวงพ่อผมว่าสมาธิอ่อนเนี่ยนะเพราะว่าจิตเราเดินปัญญาเยอะแล้วนะเมื่อจิตแต่เดิมเนี่ยติดสมาธิเยอะมันเดินปัญญาน้อยเราคลายสมาธิออกนี่พอมันเดินปัญญาไปเรื่อยแล้วเราทิ้งสมาธินานนะปัญญามันจะล้ํา สมาธิไม่พอถ้าสมาธิไม่พอเนี่ยอริยมรรคยังไม่เกิดนั่นเราเพิ่มพลังของสมาธิติดหรือไม่ติดเน่ยเรารู้ทันอยู่แล้วไม่ต้องกลัวติดหรอกนะพอทำสมาธิขึ้นมาแล้วมีแรงแล้วก็อย่าไปพอใจอยู่แค่นี้นก็เดินปัญญาเลยอ่ะว่า ม, มายมรู้สึกว่าที่หลวงพ่อเทศมาเอ่อ ทั้งผิดผถูกถูกนี่ทํามาแล้วทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าจะติดเพ่งเป็นเป็นเป็นหลักแล้วก็บางครั้งที่คลายมันก็จะถูกถูกเสร็จก็จะเอาให้ถูกมันก็เพลงอีกใช่อยากถูกก็ผิดค่ะหลวงพ่อจะสอนให้เรียนรู้สิ่งที่ผิดนะแล้วมันถูกเองค่ะถ้าอยากถูกก็ผิดค่ะไม่ค่อยได้ทําในรูปแบบอะค่ะหลวงพ่อก็จะดูทุกอย่างไปเรื่อยๆระัหค่ะถ้าทําตอนนี้มันจะไปเพ่งอีกค่ะตอนนี้จิตยังเคยชินที่จะเพ่งค่อยๆแก้ตัวนี้ก่อนค่ะ แต่สุดท้ายก็ต้องทำอย่างคนโน้นน้คือทิ้งสมาธิไม่ได้หรอกยัยงไงก็ต้องทําค่ะเมื่อเราไม่ติดเพ่งแล้ว เ, เวลาที่อย่างชอบไ่ายน้ําก็ก็จะดูความเคลื่อนไหวอย่างเนี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ า, ม, ามีสมาธิอันน<พ>ี้สบายนะถ้าดูทด่ใจที่เครียดเนี่ยใช้มไม่ได้พวกที่ติดสมาธิมานานกําหนดเยอะเนี่ยใจมันจะเครียดงั้นมาดูรูปว่ายน้ําก็ยังเครียดอีกนะต้องระวังตัวนี้ถ้าเครียดอยู่ก็แสดงว่า เปียดไบางครั้งที่ลองบริกรรมอย่างผมคนเล็บฟันหนังตอนแรกมันจะทุรนทุรายแล้วพอมันเริ่มสบายมันก็จะจะไหวโดยไม่เหนื่อยก็เลยไม่แน่ใจว่าเออนี้เราเพ่งหรือเปล่าเพ่งแต่เราเพ่งเก่งจิเป็นสมาธิแล้วเราไหวน้ำได้นานค่ะแล้วควรจะเลิกไหมคะไม่เลิกหรอกเราก็ทํานะเียงแต่ว่ารู้สึกกายให้เยอะขึ้นค่ะดูร่างกายผมคนเล็บฟันหนังด้วยเอ็นกระดูกดูเป็นส่วนส่วนไป แต่ละส่วนไม่ใช่ตัวเราดูเองนี่ ค, คนที่มีสมาธิเยอะเนี่ยไม่ใช่ทุบสมาธิทิง้งนะให้เดินปัญญาไปควิธีเดินปัญญาคือคิดพิจรารณาเอานี่พอจิตมันพิจารณาได้เองแล้วก็อย่าไปคิดอันนี้ดูอันนี้พอดูไปเรื่อยๆยสมาธิชักตกก็กลับมาทําสมาธิใหม่สมาธิกี่กับการเจริญปัญญาเหมือนการเดินสองขาเดินขาซ้ายขาขวาอะไรอย่างเงี้ย ไม่ทิ้งหรอกต้องเดินทั้งสองขาหรือไม่ขับรถเดี๋ยวก็ต้องเหยียบเบรกเดี๋ยวก็เหยียบคันเร่งเหยียบอย่างเดียวไม่ได้พวกติดสมาธิคือพวกเหยียบเบรกไม่ไปไหนหรอกขึ้นรถได้สตาร์ทรถเสร็จก็เหยียบเบรกอยู่ที่เดิมะจีชาติมันก็อยู่ตรงนั้นเพราะติดสมาธิส่วนพวกเจริญปัญญานี่ทิ้งสมาธิเลยนะพวกที่เหยียบคันเร่งอย่างเดียวเจอไฟแดงก็เหยียบคันเร่งอีกพวกนี้ไปตนายกลางทาง รู้สึกยังหาความพอดีไม่ค่อยได้เวลาเพ่งเพ่งแล้วมันหนักมากเลยแล้วมันก็แก้ไม่ได้ด้วยอยากแก้รู้ว่าเพ่งใช่อมันเพ่งเพราะว่าอยากดีอยากดีเพราะรักตัวเองเนี่ยมันมีรักลากเงาซ่อนอยู่ค่อยๆสังเกตเอาแล้วเราถ้ารู้ว่าเราเพ่งมากๆที่เราเปลี่ยนอารมณ์ไปทําอย่างอื่นได้ไหมคะได้ถ้าเพ่งกันเครียดมากลืมมันไปเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องไปนั่งแก้ของคุณนะมันติดเรื่องนั่งแก้ไป เช่นมันเพ่งแล้วเครียดขึ้นมาหาทางทําให้หายไม่ต้องหาโยนมันทิ้งไปแล้วรู้สึกอให ม, อม่ขอบคุณค่ะธรรมะสการหลวงพ่อค่ะว่าไงตื่นเต้นกลัวไม่ทราบจะส่งอะไรส่ ง, ม ไ, ง <laughs> ไม่ไงเมื่รู้จะส่งอะไรก็ส่งไมกทํามาถูกทางแล้วอย่างคะ<ด>่ะหลวงพ่อล้วดีแล้วนะ จิตตอนนี้ถึงฐานหรือเปล่าไม่ถึงอะค่ะดูออกไหมดูออกค่ะถ้าดูออกออก็ใช้ได้มันไปอยู่ข้างนอกหมดเลยใช่จิตไปอยู่ข้างนอกค่ะถ้าจิตอยู่ข้างนอกนะมันก็ไม่ยอมรู้รูปนามไม่ดูรูปนามไม่เห็นใจรักไม่เห็นไตรักก็ไม่ใช่วิปัสนาค่ะงั้นจิตไปอยู่ข้างนอกก็เป็นสมถะงั้นกลับมารู้สึกในร่างกายเออค่อยๆ <ง S 1> กลับมารู้สึกที่กายรู้สึกสบายๆ อย่ารู้สึกแบบรุนแรงนะรู้สึกสบายๆในร่างกายเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหาย ใ, ใจเข้าด้วยใจที่สบายเห็นร่างกายยืนเดินนั่ง Panch นอนด้วยใจที่สบายเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายหน้าบึ้งเห็นร่างกายกระพริบตาด้วยใจที่สบายสบายไม่ทิงคำว่าสบายขอบคุณค่ะหลวงพ่อนมัสการนะลงกบอย ฟุงน้อยกว่าเก่าแล้วดูออกไหมดูออกค่ะดีฟุงมากไม่มีประโยชน์อะไรหรอกค่ะแต่ว่านความทุกข์มาให้นะค่ะมันก็ช่วงนี้คุณภาพจิตค่อนข้างแย่แต่รู้ค่ะแย่แต่รู้ถือว่าดีค่ะแล้วก็จะเจอนิวรณ์เกือบทุกตัวซึ่งกําลังสมาธิไม่พอแล้วมันเหนื่อยค่ะเข้ามาในใจเราพร้อมที่จะหลงไปในโลกของความคิด ย<ม>ินจะมาเล่าเราเรื่องนิวรณ์เนี่ยมันก็เลินอย่างเงี้ยค่เนี่ยรู้ทันมันเข้าไปไม่ไวหน้ากิเลสรู้ทันนันเข้าไปเลยรู้อย่างเดียวนะคะโอ้ค่ะรู้ให้ถัดเดีย ว, วกันแต่เรารู้สึกเหนื่อยมากพอสมาธิไม่พอจะรู้สึกหงุดหงิดอืมโทสะจะเกิดขึ้นต่อมาอีกรู้สึกว่าเฮ้เราจะทําแก้ยังไงอย่า ง, างเงี้ยเนี่ยอย่ไปคิดเรื่องแก้ค่ะค่ะจีนมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะ ไม่ต้องแก้รู้อย่างเดียวทุกตัวที่กิเลสเข้ามาใช่ไหมรู้เท่าที่รู้ได้ไม่ต้องรู้ทุกตัวหรอก <c oughs> ถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรครว่ถ้ า, าจิตปรุงแต่งไปแล้วก็ไม่เป็นไรเออมาห้ามมันไม่ได้จิตปรุงแต่งไม่เป็นไรอย่าไปปรุงแต่งจิตต่างกันยังไงการจิตปรุงแต่ ง, ตงนงัจงง่จิตปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์ช่างมันปรุงแต่งจิตก็คือจิตไม่ดีจะทําให้ดีจิตไม่สุขจะทําให้สุขจิตไม่สงบจะทําให้สงบอย่างเนี้ยไปแทรกแซงจิตเออ เหนจิตมันปรุงแต่งจะอย่าไ ป, ปรุงแต่งจิตมัน <C le af> แค่รู้อย่างเดียวนะคะคิดมากไปคิเดเยอ <C le af> แล้วก็มันจะติดวิตกเนี่ยค่ะ <c> uh> แล้วมีอีกข้อหนึ่งจะเรียนถามหลวงพ่อว่าใ น, นในชีวิตขล่าวาดนะคะ <C le af> ที่ฟ <c> uh> <c> uh> ังสิดีหลวงพ่อบอกว่ามักน้อยสันโดษไม่ครุ่นคลีปราลดความเพียรทีนี้ด้วย หน้าที่ของการเป็นลูกต้องอยู่กับคนแก่ทั้งวันนะคะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพและการกินอยู่ทีนี้พอมีเวลาเพียงเล็กน้อยเราก็จะจะเฉริญการปฏิบตัติตรงนั้นนะคะเราดูแลคนแก่ไปนะใจเราห่อเหี่ยวเราก็รู้ว่าห่อเหี่ยวใจเราหงุดหงิดเราก็รู้ว่าหงุดหงิดไม่ต้องรอให้งานเสร็จก่อนแล้วค่อยมาดูาในระหว่างนั้นแหละปฏิบตัติอยู่แล้วเราเข้ า, า, ารู้จักคนคนหนึ่งนะ เขาเป็นลูกกระตันอยู่เป็นผู้อำนวยการกองนะอยู่กระทรวงสาธารณสุขแต่ว่ากเกษียณปานานละแต่แกไม่กเกษียณหรอกแม่แกเป็นมะเร็งแล้วแกก็รักษาแล้วแม่เนี่ยเป็นคนที่ติดลูกสาวนี่มากเลยถ้านอนหลับไปตื่นที่มาไม่เห็นลูกนะเสียใจแต่ว่าที่บ้านเขามีตังค์อ่ะไม่ต้องทำอาหารกินเลยล่าออกจอาก ง, งานเลยแล้วมาอยู่กับแม่แล้วก็นอนอยู่ปลายเตียงของแม่นะ นอนอยู่บนเตียงน่ะอยู่ที่ปลายเท้าพอแม่ตื่นขึ้นมากระดิกตัวถูกแกปุ๊บแกรุกขึ้นมาจับมือแม่ได้เนี่ยอุ้ยลาบากมากเลยนะเราไปเห็นเขาดูแลแม่นะลําบากมากแต่ว่าทุกคราวต่อมาพอแม่ตายนะทุกคราวที่เขานึกถึงว่าเขาได้ดูแลนะจิตเที่ยวเปกุศลแล้ว uh huh. เขาได้ทําหน้าที่งั้นในระหว่างที่เราดูแลคนแก่เนะี่ย เดี๋ยวเราก็เบือ่อเดี๋ยวเราก็หงุดหงิดเดี๋ยวเราก็ลำคาญใเนี่ยเราดูของเราไปเลยเราได้ปฏิบัติแล้วไม่เสียเวลาแล้วการที่เราดูแลพ่อแม่เนี่ยเป็นบุญในตัวอยู่แล้วดูแลพระอราหันนะคือจิตจิตอธิษฐานจิตอยู่ตรงนั้นว่าจะดูแลท่านนะคะแต่รู้สึกว่ากิเลส ม, มาทั้งของเราด้วยของท่านด้วยคือกิเลสของท่านเป็นเรื่องของท่านกิเลสของเราเราดูเอาแล้วก็ไม่ใช่ฝึกให้ไม่มีกิเลส คือว่ากิเลสมาแล้รู้ทันค่ะน้อมมาตการคจ้าค่ะคนนี้ถ้ากลัวกลับบ้านไม่ถูกใส่เสื้อต้องบอกไว้เชียงรายนะเผื่อลงไปที่อื่นก็ได้มาส่งได้ลูกติดอะไรอีกไหมค่ะฮะลูกติดอะไรอีกไหมคะไม่ต้องกลัวแล้วองติดหรอกไม่ติดอันนี้มันก็ติดอโนนนะไม่ติดฝั่งซ้ายก็ติดฝั่งขวาไม่ติดข้างซ้ายข้างขวาก็ติดน้ําวน ไม่ติดคนก็ติดอมนุษย์อะไรเงี้ยจิตติดอะไรก็รู้เอานะอย่าไปคิดว่าจิตจะต้องไม่ติดนะมันไม่ใช่ปูมิของเราแล้วบางทีมันก็ติดในความสุขติดมาต้องเจอคนนี้ถึงจะดีต้องไม่เจออันนี้ถึงจะดีอะไรเงี้ยเรารู้เอานะมีความสุขเราก็รู้พอใจในความสุขเราก็รู้อย่างนี้ก็ไม่ติดสุขมีความทุกข์เราก็รู้เกลียดชังความทุกข์เราก็รู้อย่างนี้ก็ไม่ติดทุกข์นะ เราค่อยดูใจเมื่ก็เดินเข้าทางสายกลางมากขึ้นมากขึ้นที่ฝึก อ, อยู่ก็ใช้ได้นะลุงเห็นใตรักแล้วใช่ไหมคะเห็นอยู่แต่ว่าแรงไม่พอตอนนี้จิตมันอยู่ข้างนอกจิตไม่เข้าฐานหรือเอก่าไหมค่ะตอนนั้นคุณมารี บ, บอกว่าให้ไปเพิ่มไปดูตรงจงกรมเดินจงกรมออไปทํามาแล้วไม่รู้วา่าจบจงกรมก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะค่ะอย่าให้เกินความรู้สึกมันไหลกว้างๆออกไปค่ะ หายใจมันรวงเพรามากระชับกระเชงหน่อยค่ะอหายใจแรงๆทีเออเนี้ยเนี่ยแค่นี้พอละค่ะไม่ต้องเยอะกว่านี้ถ้าเยอะกว่านี้จะแน่งค่ะแต่ไม่ใช่จ้าออกไปข้างนอกอขอการบ้านได้ไหมคะไม่ทำอีกแล้วนะรู้หลักแล้วล่ะหนูดีขึ้นต้งเยอะละอบรมาสมการหลวงพ่อค่ะคนนี้ทําไมมีอะไรห้อยเยอะแยะนเหนียวเหรอยังไม่เหนียวค่ะหลวงพ่อไม่เหนียวนะ ทีหลังถ้าใครเขาถามว่าเหนียวหรือบอกสงสัยไม่เหนียวเลยต้องห้อยไว้ก่อนอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวเ้าลองน่าว่ามาก็ช่วงนี้หนูจะโทสะรุนแรงมากอะค่ะหลวงพ่อโทสะแรงมากอะโทสะแรงก็ช่างมันสิอ๋ออย่าไปเกลียดนั่นแค้รู้ด้วยใจที่เป็นกลางแต่ถ้าไม่ไหวจริงจเจริญเมตตาถ้าเราจเจริญวิปัสนาได้เราใช้วิปัสสนาก่อนเช่นโทสะเกิดขึ้นเราก็เห็นมันเกิดเองดับเองไหน แล้วไม่ก็หายไปใจก็สบายแต่ถ้าใช้วิปัสสนาไม่ไหวก็ใช้สมถะใช้สมถะนะมันโทสะรุนแรงแล้วเจริญเมตตาเมตตาคุณังอารหังเมตตาเมตตาคุณนงอารหังเมตตานะบริกรรมไปสบายสบายทำใจสบายสบายเออเนี่ยใจอย่างเนี้ยต้องอย่างนี้นะใจอย่างนี้สว่างสบายขึ้นมานี่ความสุขเขามีความสุขแล้วไม่เพลินเห็นไหมกายกับใจไป็นขั้วละกน อ๋อค่ะดูออกใช่ไหมค่ะแน่พอใจมันมีสมาธิปุ๊บขันมันแยกเลยออืนะใช้ได้สงสัยเยอะไปของสงสัยเยอะไปนะคะเรามีบารมีตัวไหนที่ยังอ่อนอยู่คะหลวงพ่อได้สารวจเอาสํารวจเอาะตัวนั้นยังอ่อนอยู่ตัวเนธขมมะเนธขมมะใช่ไหมติดในความสุขอยู่อ๋อค่ะหลวงพ่อติดในกามะในความสุขความสบายอันนี้ยังมีเยอ่ใช่ใช่ครัก็สังเกตเอา ก็ฝึกตัวเองเช่นฝึกมาอยู่วัดบ้างอะไรบ้างฝึกอดเข้าเย็นบ้าง <คะ S 2> อ, อย่างนี้นฝึกจ<ค>ะเข้มแข็งขอบคุณมาก <คะ S 2> หมดแล้วนะครับหมดแล้วค่ะขอพวกเราทุกคนพนมมือและน้อมใจตามนะคะ ข้าพเจ้าทั้งหลายข อ, อน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายทานกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่หลวงพ่อปราโมทปาโมโชขอหลวงพ่อจงรับเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลลนานเทินยถาว่าริวาฮาปุราปริภุเรนติสาครังเอวเมวายโตทินังเปตาณังอุปกระปติ อิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิชตุสัพเพปูรเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสพีติโยวิวัชฉัตุสัพโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโสุขีที่คายโยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิจจังุทาปัจจายโนจตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขัง ำลังมีความสุขความเจริญนะโดยเฉพาะการเจริญทางธรรมต้องปฏิบัติเอาไปสำรวจตัวเองศีลตัวไหนยังไม่ดีก็ตั้งใจรับษาแบ่งเวลาไว้ภาวนานะทุกวันต้องทำนะชีวิตเราจะได้มีความสุข